ขอเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังท่านสาธุชนผู้สบายสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศิงภาวนาใครสนใจก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้วัว น, นี้เราก็ไปที่ท่านแรก ที่เต๋อเกลเต็กชายนะคุณคครับค่ะนามัสการค่ะพระอาจารย์อ<า>่าเป็นยังไงบ้างนะคุณอาจารย์ถามอยู่ต่อไปกกไรจะปใหญ่ไม่เีนชีวิตอ่านักสครับอ่าแล้วต่อไปวันนี้สซนหรือเปล่าครับไม่โนไม่โนนะ ดือไหมดีดือครับไม่ดื้อนอดีมากไม่สนไม่ดื้อถือว่าเกงหน่อยบ่อยทุกวันอืมคิดสนกสนุนอนุนอวันนะครบวันทุกวันครับ อ, อืออออมเป็นยังไงง่วงนอนไห ม, ม ง, ไง่วงไหมง่วงแล้วครับ จะอ่านหนังสือจรงเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปนอนได้แล้วนะดึกแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มานามสัส ก, การพระอาจารย์ค่ะโอเคขึ้นไปที่จะแมัดกับแจที่ที่ศรีราชากราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับส่งกันวางครับอา่ามามา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 มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่ผูงอาศัยเราทำกรรมัอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาบเราจะเป็นภัยยากคือว่าเราจะต้องได้รอผลของกรรมนั้ำซึมไปเราทั้งหลายควรพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดความที่จะให้นางกายมันแก่มันเจ็บมันตายได้ไหมฟังนะครับไม่กลัวนะ จะพยายามไม่กลัวเออมันไม่ใช่เราไม่ใช่เลยค่ะเราอยู่ในร่างกายนี้หรือเปล่ามีเร่เป็นเราเป็นแต่สั่งให้ร่างกายพูดให้เราพูดอืมเราอยู่อยู่อยู่ข้างหลังเราอยู่อีกที่หนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายนะรังไงนะอย่างนั้นกลัวร่างกายเป็นอะไรก็ พี่ว่าเป็นเหมือนน้องชายเราก็แล้วกันช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปช่วยก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาไปกายร่างกายอะไรนี้มีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทั้งผืดไตปอดไส์ใหญ่ไซส์น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าศีรษะ น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนื่อน้ำมันคนน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ขอดน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ขอดน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหนือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ ใช่น้อยใส่ใหญ่ปอดใตนังอืดตัดหัวใจมา้าเยี่นในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็กขนผมไม่ใช่ตัวเราของเรานะอางไก่ครับครับเป็นของดินน้ําลํไปครับเดี๋ยวเาก็ต้องกลับไปหาดินนัน้ําไปครับอก็ ต้องปล่อยวางเป็นของยืมเข้ามาเดี๋ยวเขาต้องมาเจ้าของเขามาขอคืนก็คืนเข้าไปนะครับใชครับเราเป็น invisible man เราไม่เลยเรายังอยู่ต่อ อ, อยู่เหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนนอนนหลับนี่ invisible man ทำอะไรอนะ invisible man ฝันครับฝันใช่ไหม อยู่ในแดนเขเรียกอยู่ในแดนในละมิดนะใช่ไหมแฟนดิสซี่บลีมแลนด์อยู่ในบลีมแลนด์นะแล้วก็มีบุญมีบาปเป็นผู้สร้างรีมาให้กับเราสร้างความฝันให้กับเราถ้าฝันดีก็ถ้ามีบุญก็ฝันดีถ้ามีบาปก็ฝันไม่ดีจนกว่าเราจะได้ร่างกายมาก็จะตื่นขึ้นมาใหม่ อธิบายไหมเข้าใจครับเออเรามีชั้นที่หนักความจริงเกี่ยวกับร่างกายร่างกายมันตายไปก็เหมือนนอนหลับใจก็เหมือนนั่งเข้าศูนย์ตอนหลับก็อยู่ในแดนในโลกของความฝันไปพอได้ร่างกายใหม่ก็ตื่นขึน้นมาออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตารร้อง ว้าว้าวาอืออ่นแล้วก็เตื่นขึ้นมาแล้วใช้แรงกายหน่อยแล้วก็มาแก่จิบตายใหม่อีกรอบหนึง่งอถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ไปบวชนะบวชจิตวิญญาณบวชกันหลงตายอือมาหยุดความอยากอยากเล่นเกมอยากดูนหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวอยากอะไรต่า ง, งต่างตัดให้หมะ ไม่มาไงอยากจะเกิดอยู่ไหมไม่กเกิดค่ะครับนี่อาบวัไหมเกิดได้ครับกล้าบวชเลยก็นะกลาอยู่ครับเดนะี๋ยวไวรออายุ20หรอว่าจะทำจถึงเวลาจะบวชไหมโอเคมีคาถามอะไรไมไม่มีคับคุณแม่มีหรือเปล่าไม่มีค่ะโอเ ไม่มีการชั้นนี้ก่อนนะคราบเรารอพระบ um ุคพระอาจารย์ครับอ่าไปที่คุณหาอพิเชษเชิญคุณหาอกล่านมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมคือความประมาทครับอาจคือความประมาทเราจะทําให้เรา ผัดวันประกันพรุ่งไปวล้ ว, วันนี้เรายังไม่ว่าเรายังไม่แก่เรายังยัต้องมีภาระเกี่ยวกับคนนั่นเกี่ยวคนนี้คิดแบบนี้ก็จะคิดด้วยความสบายพอเราเรียว่าความตายมันไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าคุณมีภาระหรือไม่มีภาระคุณหนุมคุณหนุ่ม ค, คุณแก่ความตายเขาไม่ได้ยกเว้นเท่าน ในเวลาเข้ามาเขาก็เอาเขาก็เอาร่างกายออกไปทันทีพระพุทธเจ้าสามารถอย่าประมาทให้มาพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆถามพระอานุนที่เป็นพระ อ, อุปถัมภ์ว่าอนุนวันหนึ่งเธอพิจารณาความตายสักกี่ครั้งอนุ น, นตอบว่า ก, ก็สี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่าอานุน์ก็ยังประมาทอยู่ ทำจะให้ไม่ประมาทต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเช่นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายความตายอยู่ที่แค่ลมหายใจนี่อยู่หายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อ น, นั้นแล้วไม่มีใครรู้ว่าจะจะหยุดวันไหนกันอันนี้ก็คือต้องระลึกถึงความตายอยู่เลยว่าเรา สามารถตายได้ทุกวิน า, นาที่ันเป็นเช่นนั้นเราจะมาวี่งเราจะม า, า, ามามาบ่าว่าผัดวันประกันพรุ่งไปทำไมเราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงกี่ปีกันนะมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ได้ไม่มันาจะเป็นก็ได้ถ้ามันเป็นยก็เล้วไปแต่ถ้าเป็นบอิถงเวลาจริงๆมันก็ไม่ปฏิบัติดีกนะัน ข้อมันก็เมื่อมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ปฏิบัติมาตนะั้งแต่ต้นมันก็จะผัดเป็นไปเรื่อยๆเป็นข้ออ้างข้ออ้างอ้างคนนั้นอ้างคนนี้ห่างงานนั้นงานงานนี้มันก็เลยไม่ปฏิบัตนะิต้องดูพระเจ้าจเจ้าเป็นตัวอย่างพองได้ข่าวว่าได้ลูกชายนะบอกไปนะบ่วงต่อยขึ้นแลนะอยู่ไม่ได้นะ ต้องไปบุญนะต้องไปปฏิบัตินะอันนี้อย่าให้อะไรมาเป็นบ่วงรัดตัวเราอันนัดตัวมันก็จะทําทให้เราไม่สามารถไปปฏิบัติได้แล้วเราันจะสียโอกาสอันวิเศษของภพนีิชาตินี้ทีไ่ได้มาเกิดมาพบกัพบพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีทีพไม่มีแผนที่ไปรู้ว่าทิศทางไปสู่นิพพานไปอย่างไร ไมรู้ว่าการยุติการนงินว่ายตาเกิดต้องทำอย่างไรตอนนี้เรามีแางที่มีธรรมะคําสอนเราเมลหัวหน้าอาเมลหัวหน้าใกล้หัวหน้าคนนําทางพระพุทธพระนิยสงสารถ้าเราไม่รีบทำตอนนี้เดี๋ยวตายไปกลับมาเกิดคราวหน้ามันจะไม่มีพระพุทธศาสนาอะไรพวกนี้เอยู่ในโลกนี้นะ เราจะไม่มีใครสอนไม่มีใครพาเราไปเราก็จะเวียนว่าตายเกิดไปอีกเวลายาวนานเดินกาจะได้เจอพระพุทธศาสนาซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระพุทเจ้าแต่ละองค์ที่มาปรากฏในเรื่อนี้บางทีก็ไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะที่เรามาติดด้วยก็ได้ต้องคิดอย่างนี้มันจะได้ ไ, ได้ไม่ประมาณมันได้ดี รีบทํากิจที่เพิ่งจะทำเสร็จอย่างนั้นเนี่ยพ อ, อ ง, งานนี้มาทําเสร็จแล้วมันสบายจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นปนัญหาพอเสร็จงานแล้วแต่ถ้ายังไม่เสร็จงานถ้าตายไปก่อนงานก็ข้างทางต้องต้องไปทําตอบภพชาตนะินะยชงก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มันเกิดเป็นมน้ษย์อีกแล้วเมื่อจะได้มันเจอคนที่คอยบอกคอยสอนเลยไม่ได้แล้ว เนี่คือสิที่เราไม่ควรประมาทกันคือความตายนะแอไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงกี่ปีมันอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้นะคิดในทางทางต่ํ า, านียก็อาจจะอยู่แค่วันสองวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้อาจจะเป็นอะไรพรุ่งนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปก็ได้เป็นทางเพิกความผาพุตไปก็ได้อื ครูบาอาจารย์บางคนรบกันก็ยังประสบอุบัติเหตุนะแต่ท่านสบายแล้วท่านเสร็จกิจของทนแ้วก็ไม่เป็นปัญหาเลยอถ้ายังไม่เสร็จกิจก็มันก็ชะงักกิจที่เราทำวันนี้ชะงักไปย่าบอกว่าอย่าประมาทให้วโอวาทคงสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปพระเจ้าทรงบอกว่าอ สังขารทั้งหลายมันเขาไม่เที่ยง ม, มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาจงนี้ทำผิด ท, ทำผลทำประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้ได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด น, นี่คือคำสอนว่าพระปชินโมว่าค ำ, คำพูดคำสุดท้ายของพระพุทธเจ้าต่อรพระภิกษุที่เฝ้า ดูการอยากไปของพระพุทธเจ้าพอพูดนี้เสร็จแล้วก็ไม่พูดอีกต่อไปคำสอนครั้งสุดท้ายผ่นมาสี่้าปีด้วยกันตั้งแต่ธรรมจักรกับบวัฒะนาสุดนะไล่มาเรนเอยจนถึงัชีมโมวา่าเน้นความ ส, สำคัญของความไม่ประมาท เพปกติใจที่มีกิเลสมุ่งหวมันจะคอยดึงกิเลสเราให้คิดอยู่เรื่อยว้าเรายังยังไม่แก่เรายังไม่ตายตอนนี้ทําอะไรไปก่อนก็ได้มื่ใกล้กล้ตายแล้วก็มาทําำนี่เหมือนพอมันใกล้ตายขึ้นมามันทําไม่ทันเราพยายามเลืกเสงความตายอยู่เรื่อย เวลาเห็นใครตายก็าะยอมน้อมคอมาว่าอาจจะเป็นเราก็ได้ถ้ายินข่าวคนนั้นตายคนนี้ตายว่าอาจจะเป็นเราก็ได้นะคลินอย่างนี้อันนี้เรายังอยู่เรายังปฏิบัติ ท, ทําได้อยู่นี่ปฏิบัติเสียยังประโยชน์ของเราก่อนทําให้เราหลุดพ้นก่อนเมื่อเราหลุดลว้นถ้าเราก็ไปสอนคนอื่นต่อ นายยังไม่หลุด้นนายยังไม่ต้องไปกลงวลอย่างน้มาสอนคนเง่งสอนตัวเราเองอเออนะอก่อนเข้าใจไมคุณหมอเข้าใจครับขอบคุณอย่างสูงครับอาจารย์อันนี้คุณหมออยู่เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเ็ดแล้วครับอาจารย์อจดสิเอ็ดวนะครับยังไม่รู้เลยมันกี่ปีนะทำงานได้ไหย <laughs> ท ำ, ทำการบ้านทุกวันครับระอาจารย์เตะอยะม่มพร้อมเตรียมพร้อมเจอข้อสอบครับอาจารย์อีสร้างเครื่องมือไว้สติสมาธิปัญญานะเนี่ยพอเจอข้อสอบก็จะได้ทำทำได้อโอเคนะกลับไปพักผ่อนรับอาจารย์ อ, อวันนี้พิ่ตีมาเจอสีนเน้องสุการครัอาจารย์วันนี้ถึงสีที่วัด อารค่ะมันจะอยู่ที่บ้านเนีใช่ค่ะอาจารย์อยที่ข้างล่างไม่อยู่ข้างบนอ่าข้างล่างค่ะวันนี้เรามาถึงข้างล่างเนา่ยร้อนหมเนี่ยเขอพักร้อนไหร้อนมากค่ะอาจารย์เนี่ยมีผ้านวมมั้ยมีค่ะแต่ว่าก็อากาศมันร้อนที่ปกติค่ช่วงนี้ผมอ้านะใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าทนได้ค่ะอ่าถือว่าเป็นทุกขเวทนาที่เราเดต้อง อ่านได้ไนดะ้ใช่ค่ะอาจารยนะ์โอเคอพยายามสู้ต่อไปได้ค่ะอาจารย์ ข, ขอบใจนะคะแข็งแรงนะคะอไม่มีคําถามเลยนะไม่มีค่ะอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะไปที่คุณสารการต่อไปยนคุณสารการใช่นะอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะมาฟังทำค่ะโอเ ค, คไปที่ท่านต่อไปเลยนะ คุณลูกสาอาจารย์มาลาที่วัาวันนี้ดูแฟนหอนลูกสาวก็มาอยู่วัดเหมือนกันเนียเทศกาลครัอาจารย์ลูกไปอยู่ที่วัดคะ่ะอยู่ที่บ้านคนโยนอยู่ที่บ้านติดตามหรือเปล่าไม่ได้ติดตามไม่คะ่ะเพราะว่าเป็นกติกาที่เรารู้กันว่าเมื่อไหร่ที่คนนึงไปปฏิบัติธรรมเราจะไม่ติดต่อ ก, กันคะ่ะแล้วยมก็มั่นใจว่าเขาไปอยู่ที่นั่นเขาปลอดภัยดีคะ่ะอ ก็ไม่แน่เป็นจะตาความตายแล้วมันที่ไหนมันก็ตายได้ okay. ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เชื่อมันอ่นในบา ร, รมีของพ่อแม่ครูอาจารย์ค่ะเขาจะต้องเจอสิ่งที่ดีๆค่ะอาจารย์สาทุค่ะโยมไม่มีคำถามค่ะอาจารย์ช่วงนี้แบบหย่อนย่อหย่อนมากเลยค่ะทำไมเนี่ยคือ เออช่วงนี้มันเหมือนกับที่ร้านมันมีกิจเด็กเข้ามาซื้อดอกไม้แทบจะทุกวันนะคะเลยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ว่าจะมองการจัดงานจับจัดช่อดอกไม้เมื่อไหร่ที่มีสตินะคะอาจารย์มันไปแป๊บแป๊แปแปจิตเะยคะ่ะทำอะไรที่หยุดไม่มีสติปุ๊บทาแล้วแกะทําแล้วแกะแบบเนี้ยค่ะก็เลยใช้วิธีการดูงานที่ทำอะค่ะอาจารย์ไม่สติอยู่การงานที่เราทํา้องการงานาไม่ต้องใช้ความคิดมากเลยใช่ไหมให่รู้เฉยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นน พรว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของตัดฉิมอาจารย์แล้วก็มันเหมือนกับว่าเด็กๆบอกว่าป้าร้านป้าดอกไม้ถูกเดี๋ยวปีหน้ามาซื้อร้านป้าก็เลยเหมือนกับเป็นพันธะก็เลยต้องทําำพะเด็กมาสั่งก็มัดแต่ก็มองมือตัวเองทํามันเหมือนเราดูอะค่ะอาจารย์อืทําไปค่ะก็ยังอ่ะมีสติอยู่กับมีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายนะค่ะแต่ว่าก็อ่าพอมีสติปุ๊บก็จะมองการเคลื่อนไหวมองการทํางานของตัวเอง มันก็มีที่เราหยุดคิดแล้วก็ดูไปอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์มันไม่ได้คิดตลอดเวลาค่ะอแต่ก็จากการที่อาจารย์สอนวันเรื่อยๆก็ความกลัวมันหายไปนะคะอาจารย์ที่ว่าขับรถไปเอาดอกไม้กลางคืนก็ขับไปคนเดียวก็ไม่ได้กลัวนะสิบหกกิโลจากแหวงไปสุ่งหอยกุลก็แล้วก็โยมมาเจอคําว่าไม่ทุกข์ไม่สุขมันเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าทําไมมีแค่ทุกข์กับสุขแล้วไม่ทุกข์ไม่สุขมันเป็นยังไง แต่ตอนนี้อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองคือเราเมื่อไหร่ตามใจที่เราไม่ได้คาดหวังจากใครเราไม่ไม่มีอะไรอย่างนี้ยค่ะเรารู้สึกอ๋อมันก็อยู่ได้นะคะแล้วเราไม่ทุกข์ด้วยะ ค, ะค่ะอาจารย์อืมค่ะจะจะน้อมนําเข้ามาใช้ะคะ่ะอาจารย์แล้วก็ความกลัวเรื่องของว่าไปตรงนี้มันอันตรายนะอะไรเงี้ยจะไม่เกิดะคะ่ะอาจารย์ไปได้ะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ประมาทนะคะ แต่ว่าก็ไปได้ค่ะถ้าต้องระวังถ้าที่ไหนมันไม่ฝวรไปก็ไม่ควรไปใช่ใช่ค่ะแต่ว่าขึ้นแบบเราต้องเดินทางนี้จะไม่จะไม่มีกังวลค่ะไปแบบเนี้ยแต่ก็มีสติ<ม>อยู่กับมันนะคะอาจารย์โอเคค่ ะ, ะคาสาธุาค่ะขอบพระคุณอาจารย์สาธุค่ะอ่าไปที่น้ำโมอ่าเปลี่ยนชื่อแล้วน้ำโม คุณญายอยู่ที่ไหนตัวสักาานัดครับบุญญาวันนี้ทุรักทุเลขเข้าซูม<ด>ก็เลยลืมเปลี่ยนชื่อครับผมครับกลับมาตั้งใจคุณญายก็อยู่นะค่ะใจดีที่สัดค่ะจ้าขอให้คุณญายสิขภาพแข็งแรงอยู่เสมอนะสาอุคุณจ้ะอย่างนี้อืมสบายดีนะ สบายดีทุกคนครับพระอาจารย์วันนี้เข้ามาในซูมไม่ได้จะมาถามแต่จะมาขอพรพระอาจารย์วันเกิดครับวันเกิดยังเกิดนะโมโรคราบขอขอพรอะไรขอไม่เกิดนอะไรครับขอแฮปปี้โนเบอร์เดย์จากพระาอาจารย์โดยตรงเลยครับแปปี้โนเบอร์ดย์เพการเกิดเป็นทุกข์นะเกิดแล้วต้องเป็นคำนั้นคุณยายต่อไปเนี่ยหนูก็ไม่อยากอยู่นะครับหนูก็อยากกลับแล้วออ เกิดไม่ดีหรอกมันจะดีตอนที่เราแข็งแรงเราเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พอเริ่มเข้าสื่วัยชรามันก็เริ่มมีโรคภัยแข้เจ็บเบียดเบีย น, นอ่าครับานาดเเป็นที่หิวใจมากเลยครับอขอ<ร>ให้ไม่เกิดแล้วขอให้ได้ปฏิบัติแท้ขอให้ได้บวชเนียถ้าอยากจะไม่เกิดก็ต้องไปบวช การบวชการับทราบครับาทางรัฐที่สุดก็คือ ก, การบวชเร็วที่สุดทางด่วนการบวนนี่เหมือนกันการได้ขึ้นทางด่วนเพราะไม่มีภารกิจอะไรที่ต้องาคอยสะดุดบวชแล้วมีแด้การปฏิบัติอย่างเดียวมีเวลาให้กับการปฏิบัติทั้งหมด ถ้ายังไม่บวชเป็นผู้คลองเงินอยู่เนี่ยยังต้องไปทำมาหากินเล้งปากเล้งท้องเวลาที่จะมาปฏิบัติได้ไม่กี่ชั่วโมงต่อวันอตถ้าบวชได้ได้ทั้งวันทั้งคืนเนตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่สามารถใช้เวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติสติได้ถ้าอยากจะไม่เกิดก็ต้องไปต้องไปบวช ดู ด, ดูดูพวกที่เขาไม่เกิดเนี่ยเขาเป็นเขา เ, นขาเป็นนักบวชแล้วก็เป็นคาราวานะนะนักบวชพระอุตจ้ญญาพระสาวีบวชพระโมคคัลานพระอ น, นุ์หลวงปู่มันนม่นหลวงตามหาบวชบ้า น, นมาบวชน<ะ>ี<ม>นนใครเป็นคารวะมากก็แบบไม่มีเป็นนักบวชวันนี้เขาต้องขึ้นทางบวชแล้วเนาะยังไม่ทันการถ้าไม่ขึ้นทางบวชเวลาไม่พอเขานี่ไหม อาไปมันจะตายซะก่อนค่ะได้ครับจะรับทราบครับครับอาจารย์พยายามพยายามศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้บวชก็เตรมตัวให้ก่อนเตรียมให้พร้อมพอเจอทางขึ้นทางด่วนก็จะขึ้นพุ๊ดไปเลยตอนนี้ยังไม่เจอทางขึ้นทางด่ว ติดไปเขียวไฟแดงตามยากแต่ครับไปจา์เดี๋ยวต้องขึ้นไทยเวดิดเรียนติดนู่นติดนี่อ่อย่าไปอย่าไปเพิ่มให้ยากให้มันติดเพิ่มมากขึ้นอย่าไปมีแฟนมีลูกมีครอบครัวอย่างนั้น ครับประคับประแจดรับทราบครับห้ามเด็ดขาดนะห้ามมีแฟนห้ามมีครอบครัวสะอุดพิดหนึ่งแหละโอเคเข้ามาจัดครับก็มาขอพรไม่เกิดไม่ใช่เลยครับไปจัดรับทราบครับนี่เขาบอกวิธีไม่เกิดนะรับทราบพรบเจ้าบอกาครอบครัวมันเป็นบวงนมีลูกกาเป็นบวงเวลาหุ่นไครับ ได้ครับอาจารย์รับทราบครับจะได้พาคุณยายไปด้วยครับไปด้วยกันหมดนี้นะฮ ะ, ะายายไปด้วยค่ะร้ะานไปไหนายายก็ไปได้นะร้านไปได้ยายก็ร้านบวชได้ยายก็ไปบวชได้ยอย่างก็นแล้วนึกถึงที่ดีนะคะโอเคนะขอบคุณ<ร>อาจารย์ในความเมตตาค่ะ ไปที่อาจารย์ผมวิไลก็ทมอเป็นไงกูนั้นกนอาการดีขึ้นการมสดงพิผ่าการ้วทำงานกลับเป็นปกติใกล้ใกลแล้วครับตอนนี้กาลังฝึกหายใจอยู่โอเคต้องไปฟังผลนี้หรือเปล่าที่เขาังแล้วฟังแล้วครับโอเครับได้ครับ ไม่ได้เป็นของดีแต่ว่ารับได้ครับไม่รับก็ไม่ก็มันก็เปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ดีใช่เพราะว่าก็คิดว่ามันคงต้องเป็นแบบนั้นถึงเอที่เอาออกก็รักษาไปครับดังนั้นตัดน้อตัดไฟเส้นต่ต้นมก่อนนะโอกาสที่มันจะขยายก็คงจะกจะยากขึ้นนะครับก็ขั้นแรกก็โอเคครับ ก็หมดไปแล้วล่ะคะ่ะ ต, ต้องฝึกปล่อยวางฝึกปล่อยวางร่างกายไม่เย็ดตัวเราของเรานะปล่อ ว, ว, วันหนึ่งก็ต้องก็ต้องแยกทานกันไป <laughs> ทางใครทางมัน <laughs> ทางใครทางมัน <laughs> ใ จ, <laughs> ใ, จใจก็ไปท่านรู้ไปร่างกายก็เป็นธ <laughs> าตุสีไ่ไปดินน้ําลมไฟไปเหมือ <laughs> นหนังสือท่านรู้เลยะคะ่ะอืม ไม่ถ่ิงเลยนะพยายามนะพยายามปฏิบัติธรรมโอสจนี้วิเศษที่สุดใจจะได้ไม่ต้องทุกข์ไปกับว่าความเป็นความตายของร่างกายรับได้ค่ะรับหลสบายเนรับสบายรับสบายค่ะหมายว่บบาบังล้มมีมีบุญเก่าเยอะ ไม่ต้องปฏนบัติไม่ต้องม่ได้เม่เป็นบ้นตอนตอนนี้เริ่มหายใจเข้าหายใจออกแล้วเป็นคนมีวาสนามีบุญมีบมีบุญนะมีบุญครับใช่ก็ดีสาธุเป็จา์มาดูค่ะค่ะเชิญมีอะไรพูดไหมค่ะเอ่อสาวัสดีนี้จะ ไปทำงานของไอเณทเหมือนเดิมอะค่ะเหมือนที่ไปทุกปีเน่แล้วเลยชวนเพื่อนทำไปด้วยวันเสาร์จะได้ไปฟังธรรมาหน้ากุปิกันสองคนกับเพื่อนนะคะวันรุกงขไม่ได้ไปนะคะไปไปทำงานแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะพากลุ่มกลุ่มไอเณทแมเด็กๆอะนะคะไปไปตักบาตที่บ้านอำเภอค่ะทุกปีก็ไป พาไปเปิดเปิดทางทอืำให้ให้กลุ่มรักสิทคนมั้งค่ะก็ะจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมเป็นปอร์เซ็นต ข, ข, ของพระพุทธเจ้าโอเคนะะออไปที่คุณหมอภาฒนาค่ะกล่าวถึงมันสกกีค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ ตั้งแต่คุยกับพระอาจารย์ก็เ ร, like so ริห uge. ห uge. ห่มแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ไม่ประหมาก็คือแบบมีสติแล้วก็รู้สึกว่ามันัดีแล้วคะคะพระอาจารย์ก็ดูสามารถเขาเรียกว่าอะไรคะคือคือสามารถอยู่กับอยู่กับปัจจุบันได้ได้ดีมากขึ้นนะคะเข้าใจเรื่องคําว่าปัจจุบันที่ที่พระอาจารย์นี่เพิ่งเคยบอกว่าไม่ต้องไปวางแผนเลยมากในอนาคตเลยนะก็คือปัจจุบันก่อนเลยปัจจุบันปัจจุบันรู้สึกว่าใจดีแบบมันมันเข้าใจคําว่าเข้าใจคําว่า คือสามารถจะแบบชอบไม่ชอบก็ช่างมันเลยก็คือคือไม่ไม่ไม่อยากชอบชอบหรือไม่ชอบก็ไม่อยากได้อะพระอาจารย์ก็เขาแตเนื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้มันมาตามเรื่องของมันสมัยก่อนไม่เข้าใจเออชอบไม่ชอบมันเกี่ยวกับความอยากเรานม่เข้าใจแล้วเนี่ยพระอาจารย์คือชอบไม่ชอบก็ปล่อยมันไปแล้วก็อยู่ของมันอย่างนั้นอันนี้ก็คือไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็รายงานของพระอาจารย์ที่คนเขาถอท่อช่วยเห็นใจแล้นะคะพระอาจารย์ก็การดีขึ้นเป็นลำดับค่ะพระอาจารย์แล้วก็กตยภาพแล้วค่ะ เดี๋ยววัา<อ>ทิตย์จะไปเยี่ยมอกอกจาก i อซียูแล้เยังค่ะอ๋ออยู่ห้องแยกคือยังยังยังงดเยี่ยมนะคะยังอยู่ในขั้นดิจิตนะว่าหมายถึงท่านท่านสามารถที่จะตอบสนองออแพทย์ได้ว่ายกมือขวาอะไรได้แล้วก็มือข้างซ้ายยกได้แล้วขางข้างซ้ายนี่ก็ติดอยู่ที่ใส่ใส่เหล็กใช่ไหมคะแล้วก็ในสมองก็น้ําเขาเรียกว่าอะไรนะมีเลือดออกในเนื้อสมองก็ก็น้อยลงแล้วะคะ่ะก็คือเริ่มเริ่มรู้สึกตัวมีสติแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอยู่ในห้องแยกคือหมายถึงว่า ไอซียเนี่ยมันจะมีห้องแยกไอซค่ ะ, ะอาจารย์คือไม่ได้ห้องรวมไอซีูแล้วก็ถอดท่อช่วยหายใจใช้แค่ใส่ท่อจมูกค่ะ<ม>แล้ไม่ติดเชื้ออะไรแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นลาดับอาจารย์วันอาทิตย์จะไปจะไปจะไ ป, จะไปหาท่านแล้วก็มีเพื่อนๆก็ฝากปัจจัยไปค่ะก็จะไปหาแล้วก็จะไปคุยกับกับน้องสาวท่านดูว่าจะมีอะไรให้ให้ช่วยทําได้บ้าง <Yeah. S 2> ไปไปกลับเลยนะ <Yeah. S 2> อาจารย์ <Yeah. S 2> ว่าไปไปแล้วก็กลับเลยไม่ค้างไปกับแฟนสองคน yeah. พระพุทธเจ้าบอกดูแลผ้าป่วยก็เท่ากับดูแลพระพุทธเจ้าคือเป็นครูบาอาจารย์ ค, ครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจไปก็ดูตูทางแล้วค่ะพระอาจารย์เดีย๋ยวไปแล้วก็พอเยี่ยมก็ไม่ได้เยี่ยมนะหมายถึงว่าไปคุยกับพเพื่อนเพือนเพราะว่าเขาไม่ให้เยี่ยมก็กลับแล้วก็กลับเลยอืแล้วก็ตัวเองก็ตั้งใจปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็คือนึกถึงธรรของพระอาจารย์และคของท่านของหลวงปู่บุญเมียว่าอยู่กับปัจจุบันตอนนี้คือเข้าใจมันอยู่กับปัจจุบันได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เริ่ึเริ่ดถึงหลืงพระอาจารย์นิพน คุณจบเขาไม่ปรหมาทของตัวเองนี้มากขึ้นนะพรัอาจารย์มันเลยยิ่งตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นอช่ไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งแท้แน่นอนแน่นอนนี่ขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยครัโอเคสาธุาไปที่คุณเอกเชียงรายเชิญคุณเอกกลับมาสการพระอาจารย์ครับก็วันนี้คสมร่มรับฝังครับพระอาจารย์ ก็ไม่ได้เข้ามาหลายหลายวิคแล้วแต่ว่าเขาฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์เทิมหน้าไหมก้าวหน้าแล้วก้าวหลังก็มันมันก้าวก้าวข้างหน้าอยู่ครับอาจารย์เอพอช่วงนี้นั่งนั่งก็ไม่ไม่ง่วงแม้ไรฮะช่วงเช้าครับอาจารย์ครับก็รู้สึกตัวดีครับอาจารย์ก็จะมีช่วงที่มันมันง่วงครับถ้าเกิดรู้ว่ามันง่วงก็จะสวดมนต์ไปฮะมันก็มันก็ สว่างขึ้นมามันก็ไม่ง่วงพรบอาจารย์เพราะตอนเช้าผมก็ตื่นตีสามคึ่นฮะนั่งจนถึงตีห้าครึ่งพระอาจารย์อืก็ประมาณสองชั่วโมงก็แ ป, ป๊บแ ป, ป๊แป๊บเดียวครับอ า, าจารย์ครับก็ที่ว่าเพราะมันหลับหรือเปล่าเนรู้สึกตัวตั้ตอนที่นั่งรู้สึกตัวตลอดเวลา้วครับรู้สึกตัวครับพระอาจารย์แต่แต่มันจะมีแบบมันมันมันเหมือนกับเป็นแบบว่ามันช่วงต่อระหว่างที่มันนิ่งอะ บางทีมันปุ๊บมันเหมือนปุบหลับมาครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ถ้ารู้ว่ามันจะปุบก็ก็สวดมนต์ไปครับอาจารย์สวดบทที่ชอบไปมันก็มันก็สว่างมาก็ก็อยู่ได้ครับอาจารย์ก็ประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงนึงก็อยู่ได้ครับอาจารย์ปล่อยให้มันหลับนะถ้าปล่อยให้มันหลับมันก็นั่งใรงานแต่นั่งแบบไม่เรื่องก็ก็ช่วงช่วงก่อนก็นั่งมันมีปุบปุ๊เอ๊ะก็ลองคิด เปลี่ยนท้าเปลี่ยนอะไรดูก็ตอนหลังมาปรับมาปรับดูว่าเออถ้ามันมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะถ้ามันดูมันจะมีนิดหนึ่งครับก็เลยปรับมาเป็นสวดมนั้นพระอาจารย์สวดมนในใจไปท่องไปเองครับอาจารย์เป็บทที่ชอบครับอาจารย์มันยืดยืดออกไปอีกนิดหนึ่งก็มันหายหายง่วงก็เอาสติเข้ามาก็ก็อยู่ได้ครับอาจารย์ครับจนจนประมาณปีห้าครึ่งก็ก็ออกกับ ไม่เจออยูนหมาที่ ม, กกไมัไม่เจอเวทนาเลยนะไม่ไม่เจอเวทนาเลยเจอเจอครับอาจารย์มันมันก็เกิดอยู่แล้วครับประมาณชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงแรกมันก็เกิดอยู่แล้วปวดไข้แล้วครับอาจารย์ก็มันก็ปวดไปก็นั่งไปครับอาจารย์ดูลงไปครับไม่เดอนาะอยู่ก็อยู่ก็มันครับก็มันคงแบบว่ายังไม่เจอตัวใหญ่มันเจอเจอเจอหนูอยู่ครับอาจารย์หมาหมาแมวเสือยังไม่เจอครับอาจารย์ยังมเจอหนูอยู่ครับยังไม่เจอช้าง ครับแล้ถ้ามันเจอช้างวันไหนนึงคงคงจะได้ดูว่ามันจะแตกหรือว่าไม่แตกเงี้ยต้องต้องดูวันอีกทีนะครับอาจารย์พรุ่งนี้ก็ตั้งสติทุกทุกทุกเก้าครับอาจารย์วัดสติอยู่ครับถ้าว่างก็ดูลมไปครับนั่งเวลาพักอะไรไม่ได้ทำอะไรก็ดูลมก็ฟังเทศพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปครับอาจารย์ก็เกือบทั้งวันนะครับทั้งวันก็ตั้งสติทั้งวันนะครับดีครับขอให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะ ครับไม่อยู่ครับทำไม่ไม่เว้นนะช่วงเย็นหรือว่าช่วงเย็นกับช่วงเช้านี้ทําทําตลอดครับพระอาจารย์ <mm> แม่ตอนป่วยไม่สบายก็ก็ทําอะครับพระอาจารย์ <mm> นั่งไม่ได้ก็นอนดูครับดู ด, ดูยิ่งยิ่งช่วงที่เจ็บปวดอะไรนี่ก็ก็ทําำครับอาจารย์มันได้เห็นชัดมากเห็นเวทนาค่อนข้างชัดครับพระอาจารย์อเพราะว่าช่วงมันจะมีไอผมว่าจะเจ็บตรงสะบัดเนี้ครับพระอาจารย์ถ้าเวลามันเจ็บมากพอ บางทีก็ถอนลงมาตั้งสติก็ดูว่าใครเป็นคนเจ็บเราเจ็บหรือใครเจ็บร่างกายเจ็บหรือเราเจ็บอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันมันก็เบาไว้ครับอาจารย์ไม่ไม่มีคิดถึงมันมันก็เบาไว้ในช่วงที่ไม่ได้คิดอะไรครับมันก็ขัดขัดอยู่ฮะมันก็ก็ก็ก็ดีอยู่ทําให้ได้พิจารณาว่าร่างกายมันมันไม่เที่ยงอะครับมันมันแสดงความเจ็บให้เราเห็นตลอดเวลาครับก็พิจารณาไปครับก็ประมาณนี้ครับพระอาจารย์ทำ ครับผมทำไปเรื่อยๆต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณพระอาจารย์ครับแล้วก็ขอท้าทันพระอาจารย์ถึงได้ครับผมท้าทันมันจะฟังเราหร่าทาทันมันจะฟังเราหรือเปล่าขอมันได้บปล่ามั้นะก็เอาเอาให้เต็มที่ตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมครับพอาจารย์ครับผมอาพระองค์ารุข้บไปนี่คุณสุภัตตา ยันเท็กซัสแล้วนี้ท่าไฟกำลังานที่เท็กซัสเนี่ยกลับเป็นพัสดการพระอาจารย์เจ้าค่ะยังยังไม่ยังคุมยังไม่อะไรยังยังยังไม่อยู่เจ้าค่ะยังยังยังไม่อยู่ก็อยู่ทางพอพระอาจารย์ถามลูกก็เลยค่อยไปตามข่าวคะเพราะว่าปกติลูกจะตามข่าวเฉพาะเสาร์อาทิตย์ ก็ามไม่เสาวอาทิตย์ก็ไม่ค่อยดูไม่ดูมีขนาดนั้นไม่ไดูขนาดนั้นก็เลยถามสามีหลังจากที่พระอาจารย์ถามก็เลยถามสามีสามีก็เลยหาข่าวมาให้ดูๆๆว<ม>่าก็เราก็รู้แล้ ว, ว่าอ๋ออยู่ทางทางเหนือฝั่งตะวันตกทางทางฝั่งอมาริโญเจ้าค่ะก็เป็นเส้นทางที่ลูกใช้เดินทางไปโคโลรโดไปเยี่ยมครอบครัวเจ้าค่ะก็แถบนั้น ก็เดี๋ยวเสาร์นี้ก็จะไปทางนั้นน่ะเจ้าค่ะเพราะว่าจะไปเยี่ยมเอ่อครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สามีเจ้าค่ะเสาร์เสาร์นี้ยจะเดินทางไปก็คงจะได้เห็นเห็นบ้างอะเจ้าค่ะนะค่ะไม่มีไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ปฏิบัติโอเคเจ้าค่ะยังปฏิบัติให้มากมากนะโดยเฉพาะสตินี่ จะพยายามเจ้าค่ะสาธเาค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณสันนีแบงก์ก่อนกรับนมัส ก, การค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมไม่มีคำถามค่ ะ, อะโอเคคุณคุณแปมใช่ไหมคุณแปมรู้เปล่ากลับนมัส ก, การเจ้าค่ะ ว่าไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนเจะาพัทยาเจ้าค่ะอ๋อพัทยาโอเคเจ้าค่ะอ่าตุยงั้นไปที่คุณยอดสวัสดีคุณยอดสวัสดีได้ยินหมนำ้ำมศการเจ้าค่ะค่ะอาจารย์อ่เป็นยังไงบ้างก็ อย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะว่าหนูคงต้องสร้างรันเวย์อีกเยอะเลยค่ะก็สัปดาห์นี้ทําไม่ได้ที่ตั้งไว้ค่ะพระอาจารย์สติแตกค่ะ <laughs> ค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวฝึกใหม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพอช่วงที่เลิกจากสิบแปดมาก็ยังทานข้าวเย็นได้อยู่มือ้อนึงนะคะหมายว่า <c oughs> ทานข้าวได้วันละมือ้ออยู่มื้อเย็นไม่ทานแล้วพอมัน มันสติมันไม่พร้อมะค่ะพระอาจารย์ก็ไปทานพอทานเราก็ปวดท้องค่ะแล้วพอสักพักหนึ่งมือก็หายปวดเลยตอนนี้ได้กลับมาทานมเย็นเหมือนเดิมเลยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวหาเวลาถือสินแปดใหม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะยังซูบกิเลสไม่ไหวนะค่ะแต่ว่าแต่ว่าคลิ๊กของพระอาจารย์ดีนะคะที่ว่ามองเป็นอาหารเก่าอาหารใหม่ช่วงที่ถือสีนะคะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ Mm hmm. แต่ช่วงนี้สู้ไม่ไหวแล้วก็พอไม่ได้นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ชั่วโมงการนอนเยอะกว่าตอนนั่งสมาธิแต่ร่างกายแย่แย่ไปเลยค่ะพระอาจารย์หนูต้องรวบรวมกําลังมาตั้งสเตจใหม่แล้วค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนูมีคําถามค่ะคือว่าที่นอนที่หนูนอนอยู่ค่ะพระอาจารย์มันค่อนข้างหนา แต่ว่ามันไม่ได้สุขสบายอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนูนอนที่นอนนิ่มมากไม่ได้อยู่แล้วแล้วตอนถือสินแปดนะคะหนูก็นอนที่นอนเดิมค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเอ่อความที่เป็นคอนโดนะคะ่ะมันค่อนข้างแคบก็เลยไม่ได้มีที่มีทางขนาดว่าเราจะมาปูอะไรนอนพื้นได้อะคะ่ะก็เลยจะกลับยนถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอย่างสีแปดนะคะสเปคของที่นอนถ้าไม่ใช่มันไม่ได้ชวนให้เราหลับสบายขนาดนั้น มันได้ไหมคะพาอาจารย์หรือจริงๆแล้วหนูก็ควรจะเคลียพื้นที่พยายามนอนพื้นให้ได้อย่างเงี้ยค่ะพาอาจารย์ก็ถ้าร้อยเปอร์เซนก็นถ้าต้องการรักษาแบบร้อเอร์ซ็นตก็ต้องเป็นพื้นแข็งๆเลยอาจจะปูด้วยผ้านิดหน่อยบางๆกันการความชื้นความเย็นของพื้นก็ได้นี <S <S อ่อาจารย์เือเ่อเดี๋ยวนี้ก็มีฟูกบางๆแบบทามาจากอะไรนะยาง ค่ะประมาณสักถึงนิ้วหรือนิ้วหนึ่งอ่ะไรทำเลานี่ค่ะพายกันงั้นเดี๋ยวหนูหนูมีเสื่อโยอค่ะที่หนาหนาสักหนึ่งในสามของนิ้วอะค่ะเดี๋ยวหนูเอาลองเอาเสื่อโยอค่ะมาปูกก่อนก็ได้ค่ะหนูว่าถ้าเป็นไปได้ก็นอนแบบไม่มีอะไรเลยมันจะได้ฝึกใช่ไหมได้แต่ถ้าแต่ถ้ามันทําให้มันมีปัญหาทางสุขภาพก็อันนี้ก็อาจจะต้องบรรลุลงตาม ตามเรื่องของสุขภาพเพราะถ้าร่างกายเรามันต้องต้องรอนมันที่อะไรที่มันนุ่มหน่อยมันก็ต้องอนุโลมตามความจาเป็นของร่างกายไปแต่ถ้ า, ถ, าถ้าไม่มีความจําเป็นก็พยายามเอาแบบถ้กินเหล้าก็แบบไม่ต้องผสมน้ำผสมโซดาอะไรเอาเพียวๆ เ, เลย ได้ค่ะพระอาจารย์ก็หนูว่าชอบที่นอนบนเขาชีโอนนะคะหนูถึงขั้นถลกแล้วถ่ายยี่ห้อกลับมาเลยนะคะพระอาจารย์จะไปซื้อตามค่ะหาซื้อไม่ได้ค่ะพระอาจารย์หนูไม่เคยปวดหลังเลยค่ะเวลาไปนอนที่นู่นนะคะแต่ที่หนูนอนเนี่ยแหะค่ะปวดแล้วก็หนูชอบที่บนเขาเขามีมีมีมีอะไรให้ปูให้เราม่มีฟูกบางๆใช่ค่ะฟูกบางๆค่ะพระอาจารย์แต่คือมันไม่มีความนุ่ม ซึ่งหนูว่านอนที่นุ่มไม่ได้อยู่แล้วค่ะพระอาจารย์มันปวดหลังเวลาไปบนเขาว่าหนูไม่อยากกลับเลยค่ะคือนี่ก็เล็งเดือนเมษาค่ะอาจารย์เดือนหน้าอพอวางแผนไว้ปุ๊บงานก็เริ่มเข้าค่ะเริ่มแบบอ่าเดี๋ยววันที่ยี่บห้าอย่างนั้นวันที่ยี่บหกอย่างนี้ไอ้วันที่หนูจะไปอะพระอาจารย์หนูวางไว้ก็หดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยววางใหม่ค่ะแล้วก็เท่านี้ค่ะพรอาจารย์แค่รู้สึกว่า เออพอพระอาจารย์บอกว่าให้หาวันที่ไม่ได้ทํางานมาปฏิบัตินะคะปรากฏว่าพอดีเมื่อวันจันทร์หนูต้องไปสอนแล้วหนูเตรียมเตรียมสอนไม่เตรียมสอนไม่ทันค่ะพระอาจารย์สารอาทิตย์หนูไม่ได้พักไม่ได้หยุดเลยค่ะพระอาจารย์จนเช้า ว, วันจันทร์หนูยังละเมอว่ามันคือวันหยุดอยู่เลยคะ่ะคือสติมันไม่มีอะคะ่ะมันเหมือนร่างกายมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะดจั ด, จ, ด, จ, ดจนปฏิบัติก็ไม่ได้พักก็ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แต่เดี๋ยวจะตั้งสติทำใหม่ค่ะ ก็พยายามจัดการเวลาหาเวลาทําตารางไว้กำหนดถ้าเราไม่จัดการเรื่องเวลามันก็จะถูกเรื่องอย่างอื่นมาเอาเวลาไปหมดนะค่ะเจ้าค่ะพระจ่าขอบพระคุณเจ้าค่ะขอพระขันทภจันแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าสาธุคุณสุภาตนาปอเวินชนบุรีรกลาวธรรมสการพระจันเจ้าค่ะ มารวมฟังธรรมเจ้าคะ่ะไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะโอเคยังไปที่กูนโอพีแคถึงภูเก็ตแล้อยังยังไม่ถึงน้ำข่าวนม้มาสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอยู่ประจวบเจบ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ทำกายเข้าไปนะนั้นนะอือจะแวะพักที่ประจวบหนึน่งคืนเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงภูเก็ตเจ้าคะ่ะอ่าแตบเขาพูดไม่ให้พระอาจารย์ไปยังสุ่มเจ้าคะ่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะ เดินทางก็มีมีเพื่อนเดินทางด้วยเปล่าก็เดินทางคนเดียวครับแฟนเจ้าค่ะอาจารย์แฟนขับรถเจ้าค่ะอือขับรถอันนี้ขับมาจากกรุงเทพเจ้าค่ะแล้วก็เขาขับรวดเดียวถึงภูเก็ตไม่ไหวเจ้าค่ะอาจารย์ก็เลยได้มาพักที่ประจวบกอนเจ้าค่ะก็ดีสบายสบายประจวบก็น้าพักไม่ใช่หรือสิคะมีลมทะเลสงบดีนะ ไม่ได้ไปดินทะเลเจ้าค่ะอาจารย์เอาใกล้นถนนเลยเจ้าคะ่ะสะดวกเลเจ้าคะ่ะเวลาออกไปก็คือขับรถ อ, ออกไปเลยอย่นเจ้าคะ่ะไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหนเจ้าค่ะอืพุ่งตรงแวก็มาถึงก็เข้าที่พักเลยเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ออกไปไหนเดี๋ยวเช้าวันเดินทางต่อใช่เจ้าค่ะอาจจะออกสายๆหน่อยจา <laughs> กปัจจุบันไปกี่ชั่วโมงอีกหกชั่วโมงควนจะถึงถึงไหมไม่ถึงเจ้าค่ะอาจารย์น่าจะประมาณปักห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงประมาณ่ะ <laughs> แต่ก็แล้วแต่จะาค่ะถ้าเกิดว่าขับช้าก็อาจจะถึงดีจา้า อ, อยู่ที่ว่ารถติดไหมด้วยคขับเร็วหรือว่าขับช้าดียเจา้าค่ะอืไสบายสบายเร่องนี้เป็นสีเ่เลนนอนได้ไหมเหร่ยากถตน่นอนใช่ไหมใช่เจา้าค่ะก็ถ้าถ้าช่วงประจวบ ก, ก็ใช่เจา้าค่ะแต่ว่าถ้าช่วง อ, อาแถวภาคใต้ลงไปหน่อยใช่จา้าค่ะไม่ได้ไม่ไม่ผ่านละนองก็ขอแนะนำไม่ผ่านละนองไม่ผ่านจา้าจะไปโคราเส้ น, นกันเจ้าค่ะ ไปทางไหนไปสร้างพังงาหรือไงไหมใช่เจ้าค่ะไปทางพังงาเจ้าค่ะอย่างไง้ต้องเป็นข้ามสะพานสารเส้นอยู่เหมือนกันใช่มข้ามจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าต้องไปทางนั้นทางเดียวจ้าค่ะไป่ทางอื่ไม่ได้จ้าค่ะมีทางเข้าออกทางเดียวนะอืใช่จ้าค่ะถ้าสะพานนั้นค่ะที่ไปภูเก็ตไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเจ้ค่ะขอบพระคุณไปอย่างสูงเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สิ้นภูเก็ตนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เดินทางในสวัสดิภาพนะ ถือกับเขาพอบคุณจ้ค่ะไปที่บุรดอนคุณแนนได้เดินทางปไปไหนกับเขามั้งอากานมาสักการ์ค่ะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ <Okay. S 2> อันนี้ไม่มีคำถามจะา้ะค่ะไปที่คุณอ้อมคุณอ้อมได้ยินไหมยังไปดูงานไปดูงานเมื่อไหร่อีกหลายเดือนนะ ไปเดือนเมษาค่ะไปสองอาทิตย์ค่ะพรอาจารย์เดืนหน้านะค่ะครั้งแรกค่ที่ไปต่างประเทศไปยุโรปต่างประเทศเอ่อเคยไปเที่ยว อ, อยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ไม่ได้ไปอเมริกานะคะไปยุโรปอ๋ อ, อ, อจองที่พักไปปฏิบัติธรรมยี่สามยี่สี่ยี่ห้า 23, 24, 25, ค่ะเดือนอนี้นะคะอ๋อตอนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะค่ะ ไปคิดว่าไปเอาอุเบกขากีค่ะดีค่ะไม่มีคำถามค่ะโอเคค่ะฝึกสติไปเรื่อยๆนะค่ะโอเคคุณยินดีตอนนี้อยู่อเมริกาแล้วอยู่แคนซัสเป็นไงปีนี้มีโอกาสกลับมาเมืองไทยไหมก็ะมดูอยู่ค่ะว่า พักร้อนของเดวิดจะอยู่ในช่วงไหนนะค่ะถ้าอาจารย์อ mm hmm. ่ะกลับค่ะเพราะเดวิดเขาอยากกลับค่ะท่านอาจารย์ mm hmm. ก็ไปกลับท่านอาจารย์เหมือนเดิมอะค่ะท่านอาจารย์ mm hmm. เขากําลังดูดูอยู่คะ่ะท่านอาจารย์แต่เ อ, อช่วงเดือนหน้านเนี่ยก็ช่วงนี้เขาจะต้องไปดูงานที่เ อ, อทางนิวยอร์กอะคะ่ะแล้วก็ทางไอโอวาก็ยุ่งยุ่งอยู่อ่ะคะ่ะท่านอาจารย์แต่เขากําลังดู mm hmm. ดูดูอนพักร้อนอยู่ค่ะท่านอาจารย์อืมค่ะก็ฝากความคิดถึงเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์ก่อนไปทํางานเขาก็บอกบอลซองเต้ให้อาจารย์ด้วยนะเพราะวันนี้อาจารย์ครัาขอบคุณด้วยนะค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ใช่ครับคุณคุณแจนยันไม่ยอมแจนนะพิสเบิร์กแจน วันนี้ไม่มีนวัตสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคถ า, ถ า, า, าถามค่ะยงก็มาฟังฟังธรรมค่ะนั่นคุณจีฟใช่คุณจีฟน่าจะมาพอที่ล้ใช่ค่ะโอเคใชคะ่ะัไปที่คุณลูกตาลจ้ะลูกตาลชนบุรีนวัสการค่ะพระอาจารย์งงวันนี้พาคุณแม่มาเปรพระอาจารย์ด้วยคัะจับนวัสการคุณแม่มีอะไรจะถามแม่ มีคะ่ะพระอาจารย์คะเช่เลยค่ะพอดีตอนนี้ทำทาโครงการที่ช่วยเหลือสุนัขจรจัดกันอยู่คะ่ะกับกับลูกสาวเนะะี่ยค่ะทีนี้มีความสงสัยว่าเราจะประยุกต์หลักธรรมของอริยมรรตมีองค์แปดมาใช้ในการดำเนินงานได้ยังไงบ้างอะคะออก็มีความเมตตาเป็นพื้นฐานาทำประโยชน์ให้กับสุนัขให้เขาอยู่อยู่ดีกินดีปลอดภัยจากภัยต่าง กก็คือใช้พรหมไห่หารสิโดยเฉพาะเมตตาอกอบกรุณนาเมตตาก็เป็นเมตตาขเขาการุณนาก็ช่วยเหนือเขาเลี้ยงดูเขาแล้วก็ถ้าเขาเป็นอะไรไปมันเราช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาเป็นเอาจารา์ เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอันนี้ใช้กับทุกคนนะไม่ใช่แต่เฉพาะสุนัขกับคนนุษย์กับใครที่คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเจอใคร้วต้องใช้ความเมตตาเป็นพื้นฐานอย่าไปกดไปเกลียดกันให้รักกันให้มีความเป็นมิตรต่อกันนะถ้าใครเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป แต่ถ้ามันสุดวิสัยช่วยอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาไปทําใจเฉยๆอย่าไปทุกข์ไปร้อนกับกานที่เราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้คมีญาติแม่สุนัขที่เลี้ยงดูต้องดูแลอะไรไหมคือทำโครงการร่วมกับเ อ, อทหารในคนะ่ายนวมินทราชีเนียค่ ะ, คะแล้วก็เราออก ก, ก, กับบอทบอ14อ่ะค่ะ ก็ร่วมมกันโดยโดยลูกสาวเนี่ยจะเป็นสัตวแพทย์ให้แล้วก็โยมก็จะประสานกับทางผอบอลหน่วยแล้วก็กลุ่มคนเลี้ยงแล้วก็แล้วก็ตอนเย็นก็ไปออกกําลังกายแล้วก็เลี้ยงให้ให้เขาด้วยอ่ะค่ะเลี้ยงพวกเขาด้วยก็ประมาณสี่รอยตัวสี่ร้อยตัวเยอะเลยหมอเยอะถ้ามันค้าวถ้ามนข้าใหญ่ค้าวโงใหญ่ไม่ไม่ไม่ได้ขังกันเลี้ยงโดยธรรมชาอิเลี้ยงโดยธรรมชาติอย่างนี้ก็ดี ใช้ใช้หลักการของพระอาจารย์นะคะว่ า, าแบบอย่าไปกอดขังอะไรเนี้ยหนุก็แบบให้เขาอยู่ตามจุดธรรมชาติของเขาไปแล้วเราก็พยายามจับเขาทําหมันเพื่อลดการเกิดค่ะเขาก็อยู่ทั่วไปไม่ได้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมค่ะ ห, หลังเขาบ้างตามหน่วยงานบ้างเานี้ยคะ่ะเราจะไม่มีการสร้างข้อไปขังเขาค่ะพอดีพอ ด, ดทีที่คาดนะว่าบินด้านหน้าด้านหน้าถนนสุ ข, ขุมวิทนะคะจะเป็นที่ทํางานแต่ส่วนด้านหลังอาจจะเป็น สนามบินกับเป็นที่หลังเขาเป็นที่อยู่ของเขาเป็นป่าละม็อกอะค่ะแล้วเราก็ไปให้อาหารเขาเอางคือป่าลม็อจะมีกลุ่มกลุ่มคนเลี้ยงให้อาหารแล้วแล้วตัวโยมก็ไปให้เองด้วยเพื่อจะได้รู้จักพวกเขาอะค่ะจะได้ง่ายต่อการดูแหลหรือเอามาทาหมันนะคะพอได้ยินเสียงรถเขาก็วิ่งตามแล้วค่ะสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยตัวนะไม่เยส่ยตัวทาหมันแล้ว ที่ผ่านมาสามปีเนี่ยประชากรเขาลดลงเหลือประมาณสักสองร้อยได้ค่ะเพราะว่าไม่มีการเพิ่มไม่ถึงว่าไม่ปีหนึ่งสองครอกเนี่ยพอทำหมันไปแล้วก็หยุดตัวแม่ก็จะหยุดนะคะไม่มีไม่มีลูกแล้ว<ม>แล้วก็ถ้าตัวใหม่มาก็มีตัวใหม่คนมาปล่อยแล้วก็เฝ้าระวังทำอะค่ะโดยทางทางหน่วยผู้พู่งาับบัญชาก็จะช่วยส่งกำลังคนมาช่วยยกมาช่วยดูเงี้ยค่ะแบบ ช่วยด้านแรงงานค่ะอมก็ช่วยประสาทและหมอตาลเขก็จะช่วยเป็นคนทําหมันนคะคะสามปีนี่ประชากรลดลงเห็นได้ชัดเจนและสุขภาพเขาดีขึ้นค่ะอืมันมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรมีฉีดยากันอะไรไหมบ้างหรือเปลมีค่ะก็จับไม่ได้ก็ใช้เป่าลุกดอกค่ะอืมสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เออ่ไม่ไม่มี โรคติดต่อที่เมื่อก่อนมีโรคติดต่อที่ร้ายแรงเมื่อก่อนเช่โรคหัดรดลำไส้อาเจ็บก็ลดลงเพราะประชากรของเขาน้อยลงด้วยแล้วก็บางทีเมื่อก่อนมันน่าสมเพชเลคะพระอาจารย์มันเป็นอาหารของงูเหลืองมั่งของอะไรมังม่ ง, ง, งเป็นป่าค่ะแล้วก็หนูมีความสงสัยว่าเราเห็นแล้วแบบเราอยากช่วยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้มันเป็นกิเลสหรือว่ามันเป็นเมตตาก็เป็นความตระหนัถ้าอยากช่วย จะช่วยผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยได้ก็ช่วยไปแต่ต้องดูก็ว่าเราทําได้เท่าไหร่ถ้าเรามันเกินกําลังเกินความสามารถเราก็อย่าไปเดือดร้อนอย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์ใจันต้องยอมแล้วว่ามันก็เป็นบุญกรรมของเขาที่เราทําได้เท่านี้ช่ยมันไม่ใช <ๆ S 2> ่เป็นการแบบว่าเพิ่มกิเลส <laughs> ในความอยากช่วยใช่ไหมคะ เอ๋อมันเป็นความกตุนาเนะ่ะมันก็เป็นเป็นธรรมะมเป็นธรรมไม่ได้เป็นกินเลสแต่ก็จะมีบางคนก็พูดนะคะบอกว่าไปยุ่งกับมันพวกมันมากๆเดี๋ยวเหมือนกับว่าเดี๋ยวจิตสุดท้ายเราไปคิดถึงพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ย ว, ไ ม, ยวไม่ได้ไปคนเราจะไปเป็นเดลสายเนี่ยมันต้องเกิดจากการการทำบาปไม่ได้เกิดจากการทุร่มลม กลุ่มคนเล่นเขาก็สงสัยกันเขาก็ถามแต่ตอบไม่ได้พอพูดแบบความเชื่อบาป ง, งานการการไปเกิดเป็นเดราชฉานนั้นต้องทำบาปต้องต้องทำร้ายพูนเล่าให้พูดเขาเสียอะไรเดือดร้อนดัง น, นั้นตัวอย่างไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอย่างถ้าเราช่วยเหลือเขาเราให้ความเม่ตายเขาเดือดรับไปสวรรค์ะตายไปแล้วก็ไปสวรรค์ ขอบคุณอาจารย์น้ำอนุโมทนากาวขอบพระคุณค่ะเขามีวันไหนเสาร์อาทิตย์ไหนที่ไม่ได้ไปเปิดหน่วยช่วยหนูก็จะไปจะไปหน้ากุฏิกับลูกสาวอะค่ะอ่าสาวขอบคุณโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วะกาวขอบพระคุณค่ะกล่าขอบคุณที่คุณนิสาต่อคุณนิสาลอสแอนเจลิส L.A. กับในมงสการ์คพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ร่วมรับฟังค่ะอันนี้อากาศกลับเป็นปกติแล้วยังแถวแถววันนี้ตอนนี้ก็อากาศก็ไม่ร้อนไม่มันมันทีมันก็เหมือนจะมีฝนค่ะพระอาจารย์<ต>ก็อายูฝอาายูยฝ น, ฝนไม่ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะคือแต่ตอน ตอนที่มีเยอะๆลูกอยู่เมืองไทยลูกก็เป็นกังวลค่ะ <laughs> เป็นกังวลเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่บ้านมันก็จะแบบถ้าตกหนักมากๆมันก็กลัวน้ํามันจะไหลไม่ทันนะคะแต่ก็ช่างมันหไม่เป็นไรงจะขอกลับมาค่อยว่ากันค่ะอาจารย์อ๋อลูกลูกมีบททดสอบนิดนึงค่ะเมื่ อ, ออาทิตย์ที่ผ่านมาลูกโดนแมงมุมกัดอะคะ่ะพระอาจารย์ คือมันอยู่ในในถุงมือถุงมือที่ทำสวนนะคะแต่ว่าก็เฉยๆนะคะตอนแรกมันตัวใหญ่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ก็ mm hmm. เฉยๆแบบไมก่ก็แค่ว่าเอามังแคประครบอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอแบบเข้าไปดูเสิร์ชดูว่าเอ๊ะถ้าเราโดนแมงมุมกัด น, นี่จะทำยังไงคะ่ะคือมันก็บอกว่าถ้าเป็นมีพิษเนี่ยจะแบบจะแบบมีไข้ต้องให้เฝ้าระวังภายในหนึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะ ก็มีแบบจิตตกนิดนึงนะคะพระอาจารย์ไม่ผ่านนะคะพระอาจารย์ยังกังวลอยยังกลัวอยู่ตนะังพระตอนแรกไม่ไม่กลัวค่ะเฉยๆก็อแค่มันกับว่ามันก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์แล้วก็มันพอดูอาการก็เราก็เอ้ก็ไม่มีไข้ไม่ได้หายใจติดขัดไม่ได้คิดว่าคงไม่มีพิษนะคะพระอาจารย์แต่แต่ก็มีความกังวล ร, รู้รู้ตัวเลยค่ะพระอาจารย์ว่าแบบ ม, มันมันบอกเราต้องรีบพลิกความกังวลกลับไปนะ ยังมากก็แค่ตายมันยอมตายค่ะพระอาจารย์ ม, มันมันเหมือนมันมันสู้กันอยู่ในใจเราอะค่ะใจคิดว่าอเออตายก็ช่างมันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดแบบถ้ามันมีอะไรคือแฟน ล, ลูกก็รู้เลยว่าลูกกังวลเขาก็บอกว่าอ้าวไหนไหนนั่งสมาธิา่าต้องเยอะแยะทำไมอะไรอย่างเงี้ยลูกก็คิดแบบเสร็จรุ่งก็ะอึกเหมือนกันแบบเอจริงด้วยัง ไ, ไงแต่ว่า ก็ก็เฉยๆเพราะแต่มันจะเข้ามาอีกทีตอนที่นั่งสมาธิแบบเราจะไปดูดูแผลที่โดนกัดแต่ว่ามันมันมันคือพอวัวอนลุกขึ้นมันก็บวมนิดหน่อยอะค่ะพระอาจารย์มันบวมแบบบวมเยอะเหมือนกันก็เลยผ่านไปพักห้าวันก็ลเลยตัดสินใจไปหาหมอะค่ะพระอาจารย์แล้วห ม, หมอก็บอกไม่เป็นไรคือลูกกังวลจนแบบหายยามากไปอะค่ะก็เลยหมอเขาก็ให้ยาแบบ ยาเออยาฆ่าเชื้อค่ะเหมือนบ้านเราที่เป็นยากแก้อักเสบค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เออที่นี่มันคือมันไม่มีขายค่ะพระอาจารย์ต้องให้หมอสั่งถ้าเป็นอยู่เมืองไทยเราก็คงกินไปแล้วค่ะอ mm hmm. แต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์ mm hmm. ไม่ไม่ผ่าน mm hmm. อ, อ๋อก็ยังยังยังบวมอยู่นิดนึงค่ะแต่มัน mm hmm. เหมือนเป็นเป็นรอยกัดอยู่ค่ะคือหมอบอกว่าจริงๆ มันก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันบวมเพราะเยอะเพราะว่าลูกทายาวมากไปว่าจาย์หมอบอกแล้วลูกก็บอกไปซื้อยาที่ที่ที่ CVS ที่แบบเนี้ยค่ะคือแบบแล้วก็มียาที่เมืองไทยไปด้วยให้หมอดูหมอเขบอกว่าให้ใช้ยาเมืองไทยดีกว่ามันแรงกว่าว่าจางยาที่นี่มันไม่แรงก็เขาก็สั่งยาให้ก็ดีขึ้นนะคะว่าจางสงส่ทายามากไปกังวลมากไป ค่ะอาจารย์ต้องต้องพิจารณาบ่อยๆยังเรียนปัญญาให้มากขึ้นค่ะอาจารย์รู้เลยว่าแบบมันมีแบบมันเหมือนมีมันไม่ได้มันก็มีความกังวลเหมือนมันสู้กันอยู่ใจคิดว่าเออถ้ามันมันมันเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่อีกใจหนึงก็แบบดูเป็นกังวลนะรู้ตัวค่ะเห็นเห็นใจตัวเองเลยค่ะะอาจารย์ก็ทำสมาธิไปด้วยถ้ามันมีความกังวลนี่แสดงว่าอุเบกขาเรายังมีน้อยไป ค่ะพระอาจารย์ดีค่ะเดี๋ยวจะได้แบบน้อมนําไปปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เข้าไปฝึกใหม่ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นแรงขับดันดีเหมือนกันค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะช่วงที่กิดความกังวลก็ต้องพยายามทําให้มันสงบไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ต้องไม่ดีอะไรแล้วค่ะก็ปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์จับสาทุค่ะพระอาจารย์ค่ะไปที่รักซ์มเบิร์กคย กลับนมรกันกค่ะพระอาจารย์วันนี้ย ม, มยมเมื่อบายดียมไม่มีปัญหาพระอาจารย์ปฏิบัติมาตลอดสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไปสร้างองค์ปถมไปร่วมบุญสร้างองค์ปฐอมาถวายพระอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็ทำบุญหลายบุญค่ะพระอาจารย์บุญใครบุญมันถวายให้ใครไม่ได้หรอกบุญของใครของมัน แปลว่าโยมมีปัญหาแค่ว่า ม, มันมีแค่สองวันที่ว่าโยมตื่นสายคือโยมอยากจะตื่นและทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ปัญหากันเก่าๆอ่ะพระอาจารย์คือโยมคิดว่าถ้ามันไม่หายโยมต้องไปหาหมอและต้องไปปรึกษามหมอเพราะว่าโยมตื่นมาแล้วแลวทีนี้มันจะมีความรู้สึกง่วงทีนี้โยมก็ ให้มันเหมือนตัวขี้เกียจหรือตัวอะไรก็ไม่รู้มันมาทําให้โยมแบบว่าไม่อยากสวดมนต์โยมโยมก็เลยแบบเอาใหม่เปลี่ยนใหม่เอาใหม่สวดก็ได้วะทําตามพระอาจารย์นั่งสมาธิเลยพอนั่งสมาธิปุ๊บมันจะเหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะเพศสองวันเองแค่เมื่อวานกับวันนี้ค่ะมันมันเหมือนมีตัวอะไรมาบีบคอตอนตอนเช้าเอ่ะตอนเย็นๆ น, นะโยมรู้สึกอะไรมาติดติติดกุมขอหอยอ่ะ แต่ววลาเช้าๆหรือว่าสายๆอย่างเงี้ยจะไม่มีแล้วัปนแปลกอะพระอาจารย์ยมแต่ยมก็เชื่อนะว่าเออเดี๋ยว ม, มันก็หายไปยมก็เชื่ออย่างเงี้ยค่ะกดูว่าเป็น น, นิจังอ น, นัตตาไปแล้วกันใช่ค่ะ โยมก็เชื่ออย่างที่พระอาจารย์สอนอืมแต่ถามว่ากลัวไหมโยมไม่กลัวนะละโยมก็ไม่กลัวตายด้วยเพราะว่าโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าต่อไปนี้โยมจะเดินทางธรรมจะสร้างบุญสร้างบารมีทุกวันโยมสดมนโยมก็จะบอกอย่างนี้เพราะว่าโยมไม่ไม่ต้องการไปทางโลกแล้วพอาจารย์แต่ยังมีปัญหาคือในสามเดือนเนี้ยต้องรวยอะ่ะโยมต้องรวยอะ่ะ <laughs> ถ้าถ้าสั่งได้ก็ดีนะเนื้อแต่แต่โยมนะคือคือจะมีสุขมีทุกโยมก็ต้องสวดมน์เพราะว่ามันมันรู้สึกมันเหมือนกับว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้สวดมน์หรือว่าเราไม่ได้ฟังธรรมคือมันเหมือนกับเราไม่ได้กินข้าวห่ะอาจารย์นี่โยมก็ไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วโยมก็ไม่หิวด้วยอะออืโยมก็เลยเออ ตั้งจิตปฏิบั ต, ติตั้งจิตตั้งใ จ, จปฏิบัติแล้วก็โยมจะมากราบขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะ yeah, yeah. อ่าสาธุะสารุบาปเลยองไม่วยตามความปรารถนานะสาทุค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงค่ะอ่าค่ะโ<า>ยมก็จะมากราบขอพลังทุกสัปดาห์เลยดีดียีดีค่ะโยมยัโชคดีอ่ะพระอาจารย์ ยมโชคดีมากเลยอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะอได้กี่ตังคอ๋อโอ้ได้เกินหลักหมื่นเลยแต่ยมไม่ได้เอาเงินมาเลยม า, ม า, ม, ามาใส่กระเป๋าเลยยมทําบุญหมดเลยอ๋อดจีจริงจริงพระอาจารย์ไม่มีเลยแบบไม่มีเอาเข้ามาในกระเป๋าเรเลยยมเอาไปทําบุญต ร, ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นเอาซื้อข้าวซื้อน้ําแจกคนด้วยคนจนด้วย ตั้งวิหารสร้างเอองค์ปถมเพราะโยมชอบองค์ปถมมากเลยที่นั่นมีคนจนที่นั่นมีคนจนด้วยหนะไม่ค่ะโยมทําที่เมืองไทยอ๋อที่เมืองไทยเพราะว่าคนที่นี่มันรวยแล้วเราเอาไปทําบ้านเราดีกว่าเอาไปช่วยบ้านเราคนบ้านเราเพราะว่ามันจะมีที่ซึ่งทางเหนือซึ่งน่าสงสารมากะะคเขาแบบว่าเป็นสายเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้พญานาคแหละแต่เขาทําจริงอืม โยมก็ไปช่วยเหลือเขาเห็นไหมก็เหมือนกันกับว่าวัดท่าซุงหรือจะเป็นวัดหลวงปู่สดอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ไปช่วยและอะไรวัดที่เขาไฟไหมโยมก็ไปช่วยเขาค่ะโยมก็เลยบอกว่าเอามาถวายเอาบุญมาถวายพระอาจารย์อืมเรียนสารจากข์จ่าแต่าบางนะคนก็บอกค่ะค่ะ ข, ขอให้โยมได้สร้างบุญใหญ่อีกนะพระอาจารย์อยากถกหวยใหญ่ๆเลย ความฝั่นโยมอะมีความฝวันอยู่สรงเรื่องคือโยมต้องการจะสร้างโชบฟ้าแล้วโยมก็ต้องการจะสร้างโรงเจที่นี่นะค ะ, ะ, คะขอให้เป็นไปตามความปรารถนานะาสาธุพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะขอให้พระอาจารย์มีทันแข็งแรงนะคะสาธุจ้ไปที่อาจารย์สายทิมถ อ, อนกันใช่ไหม ครับนักการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ขอนแก่นค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีสบายดีค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้รู้สึกจิตใจมีกําลังค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยเจ็บไข้แล้วก็สงบดีค่ะทํางานหนักแต่ว่าใจใจไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะพระอาจารย์รู้สึกสบา ย, บายทีนี้หนุค่ะหนูมีความคิด แบบนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่รู้ว่าคิดแบบนี้ได้หรือเปล่าก็คือคิดว่าเราทุกคนก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนทาตโลอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีตัวที่เป็นอ่าพลังของบุญกับบาปเป็นเป็นของแต่ละคนที่เราต้องมามามามาม า, มาเจอแล้วก็มารับมารับผลกระทบที่เกิดจากบุญกับบาปแล้วก็ทุกคนก็เป็นทาตุโลหมดพออ่าก็มีาธาตุสีที่ที่ท อได้มารวมเป็นร่างกายของพวกเราทุกคนตามแรงบุญแรงบาเนี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนจะจะตายหรือจากสลายหายไปมันก็เป็นตามแรงบุญแรงบาปก็ทําให้ใจรู้สึกว่าไม่ค่อยทุกกับเรื่องของการการตายหรือการจากลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาค่ะก็ไ ม, <จน S 1> ไม่ใช่เป็นตัวเราเนื้อนั่างกายก็ไม่ได้เป็นตัวเราค่ะ ตัวเรายังอยู่ต่อไปเราก็อยู่ตัวธาตุรู้ก็ยังอยู่ต่อไปค่ะแล้วเราเสวนโนที่เป็นธาตุรู้ก็ต้องพยายามที่จะต้องกำจัดตัวที่เป็นกิเลสหรือตัวกรรมตัวบุญก็คือบางออกให้หมดแล้วก็คืนคืนสู่ความความว่างจะได้ถึงอนิพานได้ค่ะก็เลยก็ต้องเข้าไปอยู่ในความว่างเรื่อยๆเดี๋ยวพอถ้าถ้าว่างได้มันก็หมดเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์พย า, <น>าฝึกสติ<ๆ>นั่งสมาธิบ่อยๆ ค <c oughs> เริ่มดูยูทูบได้แล้วจะเข้าสูความว <c oughs> <c oughs> ่างค่ะพระอาจารย์เลิ่กินขนมแล้ว <c oughs> ดูยูท <c oughs> ูบก <c oughs> ินหนึ่งมือพอนอกจากก็ดื่มแน้ําเปล่าค่ะหนูมีบางวันหนูตอนนี้พยายามปรับมาเป็นมื้อหนึ่งมั่งสองมื้อมั่งค่ะพระอาจารย์ <c oughs> แต่มันก็จะมีวันที่หิวก็กลายเป็นสามมือ้อแต่ก็บางวันตอนนี้พยายามที่เป็นหนึ่งมื้อบ้างด้วยค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ได้ ต้องฝึกให้มันเป็นวินัยให้มันเสียย่อหย่อนอย่าพลิกอย่าเปลี่ยนไเปลี่ยนมาโน่นหนึ่งมั่งสองมั่งก่อนได้ไหมคะพระอาจารย์ก็ถ้ามันยังทำไม่ได้ก็ต้องทำอย่างนั้นไปก่อนแต่ถ้ามันทำได้ก็เอามันให้มันตายตัวไปเลยไม่มีขยับขึ้นขยับลงเพราะว่าด้วยความที่ทำงานถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะพระอาจารย์บางวันก็ หอยหอยหิวหิวหรือว่าเป็นกิเลสหิวก็ไม่รู้าถา ม, ถามา ว, ว่าใครหิวก็แน่เพราจริงๆจริงๆ ร, ง ร, งรงิว่าวันไหนที่ตั้งใจว่าครั้งเดียวมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะคะพระาอาจารย์ถ้าร่างกายมันพร้อมโซเซเนะี่ยมันก็น่าจะให้มันกินะแต่ร่างกายมันก็น้ําหนักมันก็เกินอยู่แล้วไม่ใช่หนุหนุ ย, นยไขมันพร้อมค่ะพระอาจารย์แล้วร่างกายมันไม่ต้องการอาหารหรอกกิเลสมันต้องการอาหารมากกว่าอืมค่ะ จริงๆถ้าอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนนี้ก็คือศีลหกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์เป็ยูทูบมัง่งกินข้าวมัง่งก็เลยหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกอย่างนี้นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะพยายามเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค่อยปรับค่อยปรับค่ะค่อยๆปรับไปถ้าตึงมากเครียดก็หย่อนหย่อนลงมาแต่ว่าจะพยายามไม่ให้มันต่ำกว่าหกค่ะพระอาจารย์โอเคดีค่ะ ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ร่างกายก็ต้องดูเหมือนไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยปวดไม่ปวดหัวเหมือนเดิมเหมือนเราลืมมันไปเลยค่ะพระอาจารย์อืมค่ะใจถ้าใจไม่เครีมันก็ไม่ปวดสิสะอือค่ะเหมือนเราไม่ได้สนใจไม่เพ่งโทษใครหรือไม่อะไรเงี้ยสบายขึ้นค่ะพระอาจารย์ไม่คิดต่อว่าใครใครจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่เป็นไรแต่ก่อนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําไมไม่ทำตอนตอนหลังก็ไม่เป็นไม่ไม่ดูเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยสบายแต่ก็ไม่ค่อยยุ่งกับใครค่ะคงเหลือแค่อาหารนะคะพระอาจารย์ YouTube, แล้วก็ YouTube วยูทูบแล้วก็ y ยูทูบเดินแล้วก็ยูทูบอค่ะพระอาจารย์ดูข่าวบ้างได้ไหมคะพระอาจารย์ก <c oughs> ็ถ้าอย่าง <c oughs> จำเป็นจำจำจำเป็นต้องดูก็ดูไปค่ <c oughs> แต่กลัวพอมันข่าว <c oughs> แล้วมันจะกลายเป็นอย่างอื่นตามมาด้วย ใช่ค่ะพอดูข่าวแล้วก็มีอะไรโผล่มากดนหน่อยไล่ไปอีกค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะค่ะสาธุสาค่ะมีแค่นี้ค่ะไปที่คุณตายพัทยาคุณตายเป็นยังไงพร้อมกับมัสการครับอาจารย์ก็ ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ได้ครับอาจารย์ดีมีเวลาว่าง้วเข้าห้องไ ป, ไ ป, ไ, ปไปนั่งเลยนะไปค่ะก็บางวางันถ้าแบบว่าลูกค้าเยอะๆก็เลดไปนิดหน่อยแล้วก็แ ล, วกแล้วก็ตับใจแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีเราเหมือนเหมือนคิดว่าตัวเองตายไปนหนึ่งชั่วโมงอะประมาณนั้นนะคะอาจารย์เขาเขาก็อยู่ได้นะก็อยู่ได้ ใช่ค่ะก็คิดอย่างงั้นก็ตัดใจเดินไปเข้าเข้าห้องฟังธรรมพระอาจารย์เสร็จแล้วกลางคืนก็เลิกงานมาก็นั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าห้องเข้าห้องนั่งนั่งสมาธิโดยที่ไม่มีเสียงธรรมะค่ะบางวันก็นั่งได้ดีบางวันก็แบบว่ามันนั่งไม่ได้เลยปิดมาปิดมาฟุ้งซ่านใช่ค่ะพอแบบว่าพอมันดิ้นแล้วปุ๊บมันถอนออกมา เราก็เอ๊ะเราจะออกไปแล้วไม่มันเหมือนไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่เอาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่อย่างนี้ น, นะคะให้มันครบหนึ่งชั่วโมงให้สู้กันมาอย่างนี้ย น, นะคะว่าอาจารย์สมมติว่ามันถอนออกมาสักถ้าเรานั่งไปได้สักสิบกวนาทีแล้วมันถอนถ้าถอนปุ๊บหนูก็จะอยากจะขึ้นอยากจะขึ้นบ้านละแต่ก็คิดว่าเอ๊ะเราบังคับให้มันนั่งดีกว่านั่งเท่าไหร่ก็นั่งไปก่อนสิบนาทีก็ได้ก็บังคับเริ่มนับหนึ่งใหม่ จนถึงให้แบบว่าครบประมาณที่ตั้งใจไว้หนึ่งชั่วโมงคะคะพระอาจารย์ค่ะนั่งนั่งสวดมนต์ไปบ้างก็ได้นั่งฟังธรรมะไปก็ได้ถ้ามันนั่งสมาธิไม่ได้อ๋อค่ะพระอาจารย์แต่ก็อยากจะแบบว่าอยากจะนั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าเวลานั่งใชะไรแใช้ดูลมหายใจแล้วใช้พุโทโธ พุทโธค่ะพระอาจารย์บางทีก็สลับกันไปกันมาอย่างนั้นแหะคะ่ะ<ม>ว่าถ้าไปท่องอย่างอื่นหรือว่าไปทําอย่างอื่นอย่างพุทโธหนึ่งพุทโธสองหนูก็ทําแล้วก็พู้สลับสลับกันไปกันมาสงสัยไม่มีสติหนูก็เลยใช้ว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวดีกว่าแล้วก็ค่ะก็พยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์อยากอยากจะก้วหน้าค่ะอยากจะก้วหน้าแต่ก็แต่คิดว่ามันต้อง ยังน้อมลุกโกการอยู่น้อมบ้างลุกขึ้นมา บ, า บ, าบา้างนอนไปบ้างน้อมบ้างแล้วหลับัปไปค่ะอยากจะอยากจะก้าวหน้าก็ก็ต้องต้องเหมือนอาจารย์ว่านั่นแหละค่ะต้องเหมือนทําถ้าถ้าอยู่ยนี้มันก็คงคงยังไม่ไปไหนอืมค่ะก็ใจเย็นๆด้วยเราเพิ่งเริ่มต้นนะอย่าให้เป็นเหมือนกับมืออาชีพคนที่เขาทำมานา น, นยน่อยยังก็ใช้เวลาก่อนใจเยน็นๆไว้เรื่อยทำไปเรื่อยก็แล้วกัน นะคะว่าอาจารย์ก็ไม่มีคำถามอไรแล้วค่ ะ, ะอ่าสาธุนะอ่าสวสดีคุณทเทสเอไปที่สเปนคุณพัทระพรรู้สึใไ้ก่ออิมิซ า, า, านี่มันใหญ่มันใหญ่ไหมตามครับไออิมิซานี่ใหญ่พอๆกผู้เก่ยนรืวเป่พอๆกันครับพอๆกันครับ มีแบงเปมีแบ่งเป็นอำเภอมีอะไรบ้างก็เป็นอาเภอเดียวไม่เป็นนี่มีเป็นอำเภอครับมีแบับก็มีหลายอำเภออยู่ฝั่งกันแล้วมันเปมีมันมีมันมีมันมีฝั่งไหนที่ที่น่าอยู่ฝั่งไหนที่ไม่น่าอยู่แลนะมันมันน่าอยู่ทั้งทั้งรอบเกาะเนยมันก็น่าอยู่ทั้งหมดครับแต่ว่าเวลาซัมเมอร์มันก็มีโซนที่ ที่โซนเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนถ้าเทียบที่ขาก็คง้าย palm beach miami อะไรประมาณนี้อ๋อ miami ที่ที่ที่สวยที่ไม่สวยอะใช่ครับอืก็มีทั้งที่แล้วไมมีสนามบินหรือาทที่เกาะมีครับมีคนบินบินักบินโดยตรงครับในยุโรปบินได้ได้ทัวร์ได้ทัวร์เลยครับ ส่วนใหญ่คนก็บินไปแล้วบางคนก็ข้ามปาาไปใช้เรือไปใช้เรือก็เยอะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มากกว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรือมันเมืองใกล้สุดก็บาเลนเซียที่เมนและด์สเปนก็ประมาณสอชั่วโมงแล้วมีชาวเอเชียไปเที่ยวกันเยี้ไหมแต่ที่ก่อ น, น้นัก่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นคนยุโรปมัเลยเยอะอเมริกา คนอินเดียนัแลก็ชอบไปเที่ยวเกาะกัวดาคนอินเดียนาใช่คนอินเดียาชอบไปไปเมืองหลวงมากไานะไปชอปปิ้งกันชอบไปเที่ยวเมืองไปชอปปิ้งไม่ค่อยชอบเที่ยวแอดเวนเจอร์เทไหรครับมีอะไรไหมคุณแม่หน้ากากหน้ากาสหลงพ่อนี่พอนหลงพ่อที่บ้านด้วยชครับ อน้องสาวเขาปิ้นรูปหลวงพ่อมาให้เจ้าค่ะลูกกแต่ห้องพ่ะแล้วก็บอกหลวงพ่อเจ้าค่ะนิ่มอด้วยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็สู้กับเวทนาเจ้าค่ะก็เห็นมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับเพราะว่าเราปวดกระโดดใช่ไหมเจ้าค่ะพอนั่งสมาธินานๆเจ้าค่ะมันก็ปวด พอปวดลูกก็จะเปลี่ยนมานั่งเขียก็ก็เห็นว่าความเกิดความดับอย่างนี้นะคะเจ้าค่ ะ, คะแล้วก็สู้ของมันไปมันไม่ยอมแพ้เจ้าคะบางทีก็น้ําตาไหลแบบแต่ก็อดทนจนนั่งสมาธิจนให้เข้าไปเข้าไปนั่งสมาธิจนเข้าไปจนเราปล่อยวางไม่เจ็บค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ออืม <c oughs> อ่ะแล้วก็ เวลาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะอย่างวันช้าเราต้องไปโรงพยาบาลไปพบหมอกระดูกก็พิจารณาว่าเห็นโรงพยาบาลแล้วแบบว่าเห็นว่าคนเนี่ยเกิดมาวาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนหลวงพ่อพอเห็นแล้วมันก็เกิดแบบนิวร์นะคะเกิดแบบเหมือนเหมือนน้ําตามันจะไหลแบบเห็นแล้วแบบมันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันเหมือนนรกอะคะ่ะ มันมันรูปกั บ, บพิจารณาเป็นอย่างนั้นนะค่ะ เ, เ, เ, เจ้าค่ะหลวงพ่อมันเศร้าเลยมันเศร้าเจ้าค่ะมันเห็นแล้วแบบมันทําไมทุกคนมันน่าสงสารไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. จ้าค่ะทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันน่าสงสารไปหมดเลย mm hmm. แล้วลูกเคยพิจารณาอย่างเงี้ยหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วมันมีอยู่รอบหนึ่งที่ที่ลู้กับเลโออยู่ในสงครามที่ ตอนนั้นเกิดสงครามกลางเมืองที่ที่สงครามกลางเมืองแล้วมีการเผากันที่สนามบินแล้วลูกกับดีโออยู่ในเหตุการณ์แล้วก็พอลงเครื่องบินแล้วก็แล้วก็ดีโอเขาก็วิ่งไปแย่งทุกคนต้องไปแย่งกันเพื่อจะเข้าไปในเมืองแย่งกันขึ้นรถแย้งแท็งซี่มาแล้วดีโอก็จะวิ่งไปแย่งกับเขาแล้วลูกก็ปรับวิ่งตามไปแต่ไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปแย่งกับเขาวิ่งไปบอกลูกว่า หนูจะต้องไม่แย่งกับเขานะลูกไม่แย่งไม่แย่งเรือโอก็ะบอกคุณแม่นาะทีนี้ทุกคนต้องเอาตัวรอดเจ้าค่ะแล้วนาะทีนั้นนะลูกมีความรู้สึกว่าวิทําไมามันเหมือนอยู่ในนรกเลยเหมือนแบบเหมือนอยู่ในนรกแล้วกแบบ็มันย้อนไป ต, ตอนที่หลวงตามหาวเทศแล้วลูกฟังเทศหลวงตาหลวงตาเทศแล้วนรกสว่งางาแล้วแบบลูกแบบฟังแล้วแบบมันเหมือนดิ่งเข้าไปเหมือนหลวงตาแบบเปิดให้เห็นนะ่ะ แล้เราเคยเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังทุกคนก็จะแบบมองลูกแบบแบบวเนี่ยนะลูกฟังหลวงเทศหลวงตามหาบัาเวเทพเรื่องนรกสวัสด์เล้วลูกมีความสุขลูกดิ่งเข้าไปข้างในอย่างเนี้เจา้าค่ะหลวงพอ่อทุกคนก็จะมองแล้วก็เอ่อแล้วก็เขาเข้าใจเข้าใจว่าทุกคนเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนเราเจา้าค่ะหลวงพออ่อแล้วก็พิจารณาอย่างเนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อ ถ้าเป็นเรื่องบางเรื่องไม่ควรจะบอกคนหนึ่งก็ไม่ต้องบอกนี่ป่ะเพาไม่เข้า<ะ>ใจเราเจ้าค่ะตอนนี้ลูกลูกเข้าใจที่พ่อแม่ผูบา<ม>บอาจารย์บอกบอกเจ้าค่ะพ่อแม่เป็นเรื่องส่วน<อ>ตัว<อ>การปฏิบัตินี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะจ้าเรจาจะคุยกับคนที่ปฏิบัติด้วยกันก็ยังจะเข้าใจกันแต่ถ้าเขาไม่ปฏิบัติเราไปพูดท่าให้เขาฟังเพราะอาจจะไม่เข้าใจเจ้าค่ะหลวพ่อเจ้าค่ะ ค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต้องพยายามมองว่ามันเป็นธรรมดาของโลกโลกมันก็อย่างเนี้อะไรก็สงบบ้างวุ่นวายบ้างอะ้รกันไปใช่ค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่ค่ะอย่าไปเดือดร้อนกับมันอย่าไปเดือดร้อนกับมันเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ไม่เถือดร้อนก็อยู่แต่บางทีมันก็รู้สึกไอ้เห็นโลกน่าสงสารเนาะทุกคนน่าสงสารเกิดมาอย่างนี้ค่ะใช่การกลายเป็นทุกข์ไง อยากเกิดดีกว่าเห็น ล, ลูกเห็นแล้วลูกก็พิจารณาทุกวันเจ้าค่ะอนีดตัดความอ<ไ>ยากตัดกิดเลสเนถ้าไม่อยากจะมาเกิดเจ้าค่ะลูกก็ก็เตรียมตัวถ้าถ้าถึงเวลาลูกก็พยายามที่จะไปแน่นอนมีมีมันเหมือนอยู่ในใจไว้ตลอดเวลาเจ้าค่ะหลวงพ่อมันถึงอยู่ตรงเนี้มัน ก็เหมือนเหมือนปีกวิเวกตลอดเวลาเหมือนสามีแบบขอเวลามื้อเย็นนั่งดินเนอร์หน่อยด้วยได้ไหมเพราะว่าลูกเหมือนแบบปีกวิตื่นออกตื่นมาก็าปีกวิเวกแล้วพี่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเออเราต้องต้องมีสังคมบ้างอยู่ด้วยกันเดีย๋ยงจะกหาว่าไม่มีความเมตตาต่งกันใช่ค่ะหลวงพ่อลูกก็ก็ อย่าโอเคอย่างวันเนี้ยรีโออยู่มื้อเย็นก็ก็ก็โอเคนั่งร่วมโต๊ะแต่วันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทานเพราะเขามีเพื่อนทานแต่ลูกก็ก็นั่งร่วมโต๊ะแล้วก็ทานยาดื่มน้ํำใช่ของลูกตามใช่ไแต่วันไหนที่รีโอโอเคก็ทานเห็นเพื่อนก็มานั่งพิจารณาเอ๊ะเอเอเพราะว่าเราพยายามปีกมิเวกอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนมาเขาก็ทำไม่เอ๊ะมันเป็นมื้อเย็นที่เหมือนที่ เขาอยากให้เรานั่งรว่วมโตที่จะได้คุยกับเรานิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยลูก็ก็พิจารณาเจ้าค่ะอก็อต้องมีความเมตตาเขาด้วยอยู่ด้วยกันจักข้าหลวงพ่อโอเค่อคะอภิษฎนี่คุณก็ ไม่เห็นคาพร้องไหครับแต่ยินไหมกหตตม็ตามพิธีการครับยินไหมครับอาจารย์ได้ยินได้ยินครับก็เหมือนอาทิตย์ที่แล้วครับที่เรียนพระอาจารย์ว่าเ อ, อเราแบบอาการแบบทรงทรงซุดๆุดคือในความหมายคือเราก็อยากจะให้กับเตัวเองแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นการปฏิบัติถ้าถ้าสมมติว่าเราควรจะก้าวหน้าแล้วแล้วมันไม่ก้าวหน้า ก็ถือว่าเราถอยหลังก็ได้กลับขอขมาพระอาจารย์ด้วยครับรู้สึกว่าแบบว่าเอ่อบางทีก็แบบดื้อรันอะไรเงี้ยทำไว้พระอาจารย์ต้องถอยครับก็รู้สึกรู้สึกอย่างนั้นครับก็ตามใจอันนี้เป็นเรื่องของของเราว่าคือคือรู้สึกคือผมรู้สึกตัวเองจริงๆครับอืมบานทีก็มันก็ห้ามไม่ได้ ม, ม, ม, มันมันมันนีอำนากำลังมากกว่ามันก็นกสแสดงปฏิกิริยาออกมาแต่แต่ก็แต่ก็มาคิดที่หลังคือพอผ่านไปก็มาคิดที่หลังเองได้ครับก็เออนะหมายว่าแล้ ว, แ ล, วแล้วมันก็จริงๆเหมือนที่อาจารย์ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ก <laughs> ็ก็พอจะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่อาจจะรู้ชา้านิดนึงก็ไม<ๆ>่เป<ๆ>็นไรก็ เนการเนการฝึกฝนมันก็ตอนตรนมนการยังจะชายอยู่ต่อไปมันก็จะไวขึ้นไวขึ้นครับก็ก็ ก, ก็มันก็ลมลุกพานแต่ก็ก็ก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ก็รู้สึกว่าเรายังรู้สึกว่ายังยังจับสติไว ย, ยังสามารถจับ เหมือนอารมณ์ที่ขึ้นมาเราสามารถแบบว่ากำรับได้เรื่อยๆครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ทันมันเราไม่ได้ฝึกครับต้องต้องมีภาระชี้นะต่อไปครับเออใช่สติเนี่ยฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนไปควบคุคมความคิดไว้ถ้าควบคุมความคิดได้ต่อไปก็ควบคุคมกิเลสได้ได้ไ ด, ได้ได้แต่ว่าบางที เหมือนว่าเราทํางานแล้วก็อยู่ของเราแต่ว่าเราไม่อยากใช้กิเลสแต่ว่าเหมือนลูกค้าแบบว่าเข้ามาแล้วอยากนั่นอยากนี่ทําให้บางทีเราก็ต้องใช้กิเลสเหมือนกันแต่ว่าพอพอเราจัดการไปปุ๊บพอเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาที่หลักว่าคืออะไรก็คือเหมือนว่าเกิดอารมณ์ขึ้นแล้วก็ดับดับลงแต่ว่าวิธีการที่เราใช้ก็คือว่าเราใช้ความถูกต้องบางทีก็อาจจะต้องใช้กฎใช้ระเบียบหน่อยแต่ว่า แล้วก็กลับมาที่สติเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือมาที่หลักต่อบางทีอารมณ์ลราพุ่งออกไปบางทีเราก็แบบมันมีความโมโหเหมือนกันแต่ว่าเราทําด้วยตามกดตามระเบียบเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยสุดท้ายเขาก็เข้าใจเราแต่ว่าบางทีเราก็จะเหนื่อยเกินไปครับก็อย่าทำไปได้วยความอยากที่มันเหนื่อยเพราะความอยากทําเพราะว่ามีเหตุผลต้องทำํำใช่ไหมครับเออทําไป ค่วนจะได้ผลยังไงก็ช่างก็แล้วแต่มันแต่อย่าไปอยากถ้ามันได้ผลถ้ามันไม่ได้ผลแล้วมันก็เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็ก็ครับครับพอาจารย์ก็ไม่มีนะโอเคได้ถ้ามีก็ถ้ามีก็มีที่คุยกับเพื่อนเที่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปเถียงกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเรื่องการปฏิบัติเขาก็นั่งร่อยฟังแล้วก็ฟังเขา แล้วก็เหมือนเราที่เรียนมาจากพ่อจย์เราก็บอกว่าเขาก็ยอมรับอ่ะครับว่าว่าที่เขาปฏิบัติอย่างนี้แล้วถึงขั้นนี้จริงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแล้วก็เรากับเพื่อนเราคือเป็นเพื่อนที่สนิทมาด้วยกันแต่ว่าโตไปแล้วก็ทํางานคนละที่เขาก็มีความสมนใจทางนี้เหมือนกันแต่เขานั่งสมาธิได้นานแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่ามาทางธรรมอะไรเงี้ยแต่เขาสนใจด้านเนี้ยครับก็คือได้กัลายาณมิตรที่คุยกันได้ครับทางนี้ครับ ก็ดีก็อย่าไปเถียงกันคุยกันได้อย่าไปเถียงกันนะั่นอย่าเอาแพ้เอาชนะกันครับไรัแบกบ็ได้ตามที่อาจารย์แ น, น, นะนำครับครับอเอกจับเรียนเท่านี้ครับเดยไปฝึกสติกครับอา่าสาธุใครที่เป็นปางว่าอะไรศีลาชากลับนรรมสการเจ้าพระอาจารย์อ่ หนูมีกันบ้านที่ที่ที่ได้บททดสอบไปนะคะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วตอนแรกคือวันเสาร์จะไปฟังธรรมพระอาจารย์ก็ไปกับแฟนนะคะพอดีระหว่างนั่งนั่งรถมาได้กันมันเกิดการตกเถียงกันจนกระทั่งแบบแฟนเขาเขาก็แบบไม่มีสติอะคะ่ะเขาก็เลยแบบตะโกนลั่นรถเลคะ่ะแล้วเหมือนกับจะพยายามหักพวงมาลายะะัยอ่ะให้ให้ไปชนเหมือนแบบให้ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วตายอะไรเงี้ยหนูก็บอกเออทําไปเลย ตอนนั้นตอนนั้นคือก็เห็นเห็นว่าเขากําลังจะหักสองครั้งก็ไม่ได้หักหนูพอสุดท้ายแล้วเขาเขาเริ่มหนูบอกให้มีสติเขาก็เลยจอดข้างทางแล้วหนูก็เลยเลยขับเองค่ะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทางแล้วค่ะเกือบจะไปถึงวัดอ่ะหนูก็เลยตัดสินใจขับรถกลับไปแล้วก็ไปฟังทำพระจันทร์ทางออนไลน์อ่ะตรงนี้มันก็เลยหนูว่ามันหนูก็ว่าหนูมีสติ ปิดขึ้นนะคะคือณตอนนั้นคือถ้ามันจะเป็นอะไรก็คือมันก็จบจบแล้วมันก็ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็ตรงนี้มันก็เลยทำให้ให้เราได้น่าจะน่าจะมีสติไหมคะพ่อช้างแบบนี้ก็อยู่ที่ใจเราตื่นนั่นแหละว่าเปล่าตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะก็รู้สึกว่าแค่มีมีความสงสารเขามากกว่าหนูก็แต่ว่าหนูเผลอเผลอดูเขาไปว่า ให้เปลี่ยนศาสนาเลยมาอยู่ศาสนาคริสต์มันไม่เวิร์กไงมาศาสนาพุทธแล้วมาแล้วมาตามพระอาจารย์ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เคยหนูกคบอกเขาตลอดเวลาว่าสติอ่ะสติก็พูดอเงี้ยตลอดเวลาจนจนเขาเริ่มดีขึ้นนะคะสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะก็เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาจะพยายามปรับใหม่ะะอะไรค่ะพอพอเริ่มเริ่มสติกลับมาเขาเขาก็ขอโทษเราเรา ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงค่ะก็ะเลยหนูว่ากล้ากลับบ้านค่ะแล้ไปไปปฏิบัติทำตามกลุ่มเขาที่ไปที่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ค่ะลองไปนั่งสมาธิดูมันก็สบายใจขึ้นกับแต่กลับมาก็ยังคิดถึงพระอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวกะว่าพอพอหลังจากหายซับหบายแบบไม่สบายใจแล้วค่ะก็จะมาปฏิบัติเข้มข้นมากขึ้นช่วงช่วงนั้นก็อาศัยสดมนอย่างเดียวค่ะนั่งสมาธิไม่ไหว ก็บททดสอบบทหนึ่งค่ะแต่ว่ามันก็ยังห้าสิบห้าสิบค่ะยังผ่านไม่ผ่านแต่ว่าะตอนนั้นถ้าถามว่าตายได้ไหมตายได้เลยค่ะอืมก็ดีต่านใจไม่ไม่ตื่นเต้นตกใจค่โอเคคุณพระอาจารย์นะคะหนูยังต้องขอบารมีพระอาจารย์เรียนกับพระอาจารย์อยู่นะคะเพราะเพราะยังไม่สําเร็จวิชาคงต้องขอครูบาอาจารย์ช่วยเป็นแนวทางที่ชี้นาหนูให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะ อ่างนั้นค่ะแา้วกไอเดียคุณซาลินทานานอยู่ไบ่เวลานกลับเช้าอางานย์ทำงานอยู่ก็ทำงานหยุดก่อนแล้วช่วงนี้ก็ย ah ังรู้สึกว่ายอมกลับมาปฏิบัติแล้วสติมันดีมากเลยคะ่ะพระอาจารย์มันนิ่งนิ่งได้ตลอดเลยะคะ่ะแล้วก็พอฝึกสติความจำมันก็ดีขึ้น อย่างสมมุติว่าคุยกับลูกเขาลืมเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไปเราก็สามารถเหมือนกับมองย้อนกลับไปว่าเราพูดเรื่องนี้เรื่องที่หนึ่งสองสามี่ห้าคือมันจำมันจาความจำมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเวลาที่มีสติแล้วก็กำหนดการเดินในแต่ละวันได้มันมันชัดเจนมากขึ้นเยอะเลยะคะ่ะ Mm hmm. ในความฝันอย่างเงี้ยค่ะอย่างฝันร้ายยงฝันร้ายโยงก็สามารถสวดมนต์ได้ในฝันหรือว่าสามารถกำหนดดูว่าไอ้สิ่งที่เราฝันนี้เรากลัวหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กลัวเพียง mm hmm. แต่ว่าพอติมันเข้มแข็งขึ้นมันมันจับได้ทุกอย่างทุกอย่างมันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจารย์ แล้วก็คือมันอัศจรรย์ น, นะคะว่าเราสามารถมองย้อนกลับไปหรือว่าจำเรื่องเราบางเหตุการณ์ผ่านไปได้สามสิบกว่าปีบางอย่างมันไม่ควรจะจำได้แต่พอพิจารณามันก็พุดขึ้นมาเองทำให้เราเห็นได้เองอย่างนั้นนะคะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าการปฏิบัติเป็นไปได้ด้วยดีนอกจากสติที่มันดูเข้มแข็งแล้วก็ รู้สึกว่าลงสมาธิได้นานนานนานขึ้นมากค่ะอาจารย์ใช่มันกวมาจากสตินี่แหละถ้าสติดีทุกอย่างมันก็ดีตามไปหมดค่ะพระอาจารย์ก็เห็นคุณค่าของการฝึกสติโยมก็จริงๆโยมเหมือนลืมเดินจงกรมไปพักนึงอะคะ่ะคิดแต่ว่าแล้วก็มันนั่งสมาธิเลยสองชั่วโมงว่าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่สองชั่วโมงนั้นมันก็ไม่ได้เป็นสองชั่วโมงที่มี เอ่อที่มันที่มันได้ผลดีอะค่ะแต่จงกรมสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไปนั่งต่อเนื่องมันก็ไปได้หลายชั่วโมงแล้วก็นิ่งแม้ว่าจะไปทำงานมีเรื่องกระทบในระหว่างวันพอกลับมาตอนเย็นมันก็นิ่งค่ะอาจารย์ดีมา ก, กดีมาก แล้วก็รู้สึกว่าปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็มันมันละเอียดรู้สึกถึงความละเอียดรู้สึกว่าเวลาที่เราปฏิบัติละเอียดแล้วเราถ้าเราไปในสมาธิเราเกิดเราไปรับรู้เราเห็นอะไรมันก็มันก็ละเอียดตามกําลังของเรา ร, รู้สึกประมาณนั้นใช่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสติมากขึ้นแล้วมันก็จะ เห็นรายชัดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ซึ่งอย่างที่บอกมันอัศจรรย์ไม่ไม่คิดว่าจะจําได้ก็จําได้เนี่ยอืมีอทิบดี้ก็ประมาณอย่าประมาทก็แล้วกันอย่าย่อหย่อนอยากกินลชะล่าใจว่าเราตอนนี้ดีแล้วไม่ต้องีไม่ต้องทำก็ได้เคยทําอะไรก็ทำต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติต่อเรื่องอืมก็ โยมรู้แล้วว่าคีย์คีย์บร์ดของโยมก็คือจะต้องเดินจงกรมถ้าเดินจงกรมมากขึ้นมันก็มั น, นดีขึ้นอย่างมากขึ้นได้สติมากขึ้นแล้วมันกำหนดในระหว่างวันของมันเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปคอยดูหมือ น, นะคะอืมครับอาทิตย์นี้เป็นแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ดีคอยไปบนี้ไปเรื่อยๆดีขึ้นไปตามล<อ>ำดับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะที่สั่งสอนอ่าค่ะร คุณมาเลยใช่นมาเลยต่อแบบหลว่อก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่อแล้วก็นหนูไปสร้างที่ปฏิบัติหนูอค่ะในในสวนในป่าที่บ้านนะคะน่าจะเสร็จประมาณเดือนหน้าเนี้ยก็ ค, คือแย ก, ห, กหมใช่บอกหม ดีคะ่ะแยกแยกต่างหากจากที่บ้านนะคะใคร <ะ S 2> ก็อยู่ในบริเวณเดียวกันใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันมเหมือนค่ะแล้วมีมมมสัตวส่วนไหนของเราไม่น้อยเยี่ยมเดียวให้คะ่ะพอทำหน้าที่อะไรเสร็จก็จะแยกจะแยก<ม>เลยค่ะหลวงพ่อแล้วเขาไม่บ้าแล้วไม่บอ่อยงั้นเราบ้าหรือเปล่า <c oughs> หนู หนูหนูลบแล้วว่าหนูหนูอยากทําแยกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครค้านเลยค่ะหลวงพอ่อช่วยช่วยหมดเลยค่ะหลวงพอ่ออาจจะเป็นพ่อะเขาไม่อยากให้เราไปที่อื่นเนาะก็ อ, อาะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะหลวงพอ่อแต่หนูก็บอกว่าถ้าหนูปฏิบัติแล้วหนูติดขัดอะไรหนูจะต้องวิ่งไปหาครูบาอาจารย์บ้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราอยากจะไปวิเวกอย่างบนเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะ อืมค mm ่ะ hmm. แล้วก็ดีใจตรงที่ว่าไม่มีใครขวางนะคะหลวงพ่อ mm hmm. เหมือนแบบเหมือนแบบเขาคงมองว่าไปใหญ่ไปโตแล้วอะค่ะหลวงพ่อ mm hmm. หนูอะไปกูไปกลับแล้วมั้งค่าเลยที่เกิด <c oughs> <c oughs> แต่หนูก็ <c oughs> ส, ส่งเสริม <c oughs> ไปเลยถีบไปเลย <c oughs> หนูก็ดีดีใจค่ะหลวงพ่อคือหมายความว่า คือพอยิ่งปฏิบัติมันอธิบายมันบอกใครไม่ได้อะค่ะหลวงพ่อว่าว่ามันเกิดอะไรกับเราบ้างเนี้ยการเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีมีมีข้อสอบเข้ามาหนักๆเริ่มเข้ามาค่ะอย่างวันนี้ค่ะหมาที่บ้านก็หายไปตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ยังหาไม่เจอค่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่าตายหรือว่าเป็นเนี้ยค่ะมันก็รู้สึกรู้สึกนิดนึงนะคะว่า เหมือนจะเป็นทุกข์แต่พอเสร็จแล้วสติมันบอกว่าอ่ะก็ถ้าไม่จากเป็นก็หรือจากตายมันก็ต้องไปแต่ไปอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อมันก็ตัดตัดไปค่ะแต่แต่มันก็ยังไม่ใช่ว่าแบบใจดําไม่เป็นห่วงไม่อะไรอย่างนี้นะคะก็ก็นึกนึกถึงอยู่ว่าเออมันอาจจะถึงเวลาที่เขาไม่อยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม่หนูแม่หนูก็ผ่าตัดค่ะหลวงพ่อผ่า ผ่าไปเสร็จปรากฏว่าหมอผ่าผิดนะคะหลวงพอ่อวันนี้ไปผ่ามาใหม่อีกก็เอาออกไม่ได้ค่ะเป็นก้อนก้อนงอกที่ตรงคอค่ะหลวงพอ่อแล้วจะต้องไปผ่าซ้าอีกประมาณวันที่ยี่สิบเนี้ยค่ะหลวงพอ่อมันเหมือนในใจในใจหนูอ่ะคือถามว่ากังวลทุกอะไรไหมๆก็พยายามบอกแม่ว่าให้แม่อย่า ก, กลัวนะ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนให้เราทำใจไปด้วยอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อให้ให้มีสติอยู่ตลอดเวลากับเรื่องที่จะเกิดนะคะหลวงพ่อมันก็ทำใจได้ระดับหนึงค่ะหลวงพ่อเรื่องเรื่องหนักๆเข้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อก็อย่าไปแบกมันเลยถ้ามันไม่แบกมันก็มนนกไม่หนักหนูหมายถึง ว, ว่าคนที่ รอบข้างอะ่ะเขาก็จะบอกอุย้ยทําไมเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเรามาวัดในใจเราอะค่ะหลวงพอ่อมันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่มันถึงเวลาอะไรมันจะเกิดมันก็ห้ามไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อเราก็เออไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรมากมายค่ะหลวงพ่อก็เหมือนไม่ได้เหมือนถ้าเป็นอย่างแตะก่อนมูนก็คงอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อมันมันทุกมันทุกมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ใช่ค่ะหลวงพอ่อ ก็ทําหน้าที่ถึงเวลาก็ไปดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, พอคือซึ่งการปฏิบัติน่ะมันมันพลิกชีวิตหนูไปเลยอะค่ะหลวงพ่อแน่อนอนการปฏิบัติจะเพื่เพลกจิตใจเราจากความ<ะ>งองงงานเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสู่ความฉลาดสความรู้แต่ ค, คนเห็นจริงค่ะแต่คนข้างนอกเขาก็จะนองว่าทําไมไม่ห่วงทําไมไม่ คือไม่ไม่นูนไม่นี่ไม่โวยไม่ไวอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจหรอกไม่เราไปอธิบายมันพูดเหมือนพูดกับคนตาบอดมัมองไม่เห็นนะค่ะแล้วก็หนูก็รอดูว่าถ้าที่พักของหนูเรียบร้อยอ่ะหนูจะไม่สนใจใครที่มาพูดว่าเออมันเพี้ยนมันบ้ามันอะไรเงี้ยหนูจะไม่สนใจทางนั้นค่ะไม่ไม่ไม่กังวลไม่อะไรเลยค่ะห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะพูดกับปอยเขาพูดไปค่ะหลวงพ่อ หนูรู้สึกว่าหนูมาถูกทางนะคะหลวงพ่อหนูมั่นใจค่ะเพียงแต่ว่าหนูต้องต้องสะสมชั่วโมงรอเวลารอโอกาสอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมาทําไปก่ายก็แล้วกันค่ะหลวงพ่อคือหนูไม่ไม่ทิ้งค่ะหลวงพ่อหนูเต็มที่ค่ะหลวงพ่อหนูขอพ่อคุณค่ะเตี้ยมพ่อพ่อมีโอกาสบินได้ก็บินเลยนะหนูหนูตั้งใจไว้ค่ะหลวงพ่อขอพ่อคุณ อ่าอสาธุสาธุอ่าคนสุปาพเช่นเชิญคนสุปาพเช่ต่ออยู่กทมใช่คนสุภาพเช่นศาสตราอาจารย์ครับอยู่กทมครับผมอยู่กรุงเทพครับผมอ่ามีอะไรไหมมีครับผมคือผมผมเนี่ยก็คืออย่างเวลาปฏิบัตินั่งภาวนาครับก็เอ่อเราก็จะรู้ว่าคือเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่ามันมีความนิ่งมีความสงบดีครับ แล้วก็มันก็จะมีอยูออ่คือแต่คือยังรู้สึกว่าความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันยังทําได้ไม่ดีพอครับผมคือมันมีความนิ่งแต่ว่ามันอาจจะมีเหมือนกับนิ่งสักระยะหนึ่งจนถึงเวลาหนึ่งมันก็จะมีความคิดโผล่เข้ามาแหล่งครับแต่ว่าถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะรีบกลับมารู้ลมหายใจพุทโธพทโธไปต่อครับผมจะรู้สึกว่ากําลังสติของตัวเองอะ่ะยังไม่แข็งแรงพอครับครับพระอาจารย์ ได้ดคือตระเลยสติให้มากขึ้นครับคือคือพระอาจารย์เคยสอนที่บอกว่าให้พยายามฝึกเจริญสติระหว่างวันนะครับก็คือผมก็พยายามเอาไปแอพพลายใช้กับระหว่างวันซึ่งจริงๆแล้วระหว่างวั น, นส่วนใหญ่จะโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่าแล้วเวลาถ้าเกิดสมมติผ่อนคลายจากเรื่องงานปุ๊บมันก็เริ่มกลับมาลมหายใจพุโทโธพุทโธไปได้อยู่ครับผมแต่ว่ายังยังยังยังทำได้ในระยะเวลาที่เอยังไม่ยาวนานพอครับคือยัง ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเจริญสติระหว่างวันยังยังไม่ดีพอครับผมอยากอยากจะขอเทคนิคจัดภาจานครับในเรือ่องของการเจริญสติระหว่างวันนะครับผ ม, มระหว่างวันสภาพแวดล้อมเราไม่ไมันไม่เอื้อต่อการเจริญสติถ้าเราต้องทํางานการเจริญสติให้ได้ผลนี่ต้องไม่ทำงานเช่นวันหยุดนี่เราควรจะไปเจริญสติไปอยู่ที่วัดในที่ไหนที่สงบครเข้าใจไหม เพราะว่าถ้าต้องทำงานมันต้องใช้ความคิดถ้าให้มีสติอยู่งานมันก็ยังต้องคิดเรื่องงานอยู่สติที่เราต้องการก็คือสติไม่ให้มันคิดให้รู้เฉยๆแหรู้เฉยๆได้ไม่ต้องคิดก็ต้องไม่งานที่เราทำต้องไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นต้องหาเวลาว่างจัดภารกิจการงานแล้วก็ไปไปหาที่สงบ เราไปฝึกสติรังสลับกับการนั่งสมาธิไปทั้งวันทั้งคืนเออันนี้จะทําทให้เราก้าวหน้าได้แต่ถ้าเรายังอยู่ที่เดิมอยู่อยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมอยู่กับเหตุการณ์เดิมเดิมอยู่มันก็มันก็ได้แค่นี้แหละต้องหาทางขึ้นทางด่วนบ้ากหาเวลาขึ้นทางด่วนมาก มีมีเป้าหมายระยะยาวเหมือนกันคำว่าอยากขึ้นทางด่วนครับผมใช่ใจก็ต้องเอาแบบระยะสั้นๆก่อนตอนนี้คือพยายามจะฝึกปฏิบัติตัวเองให้ให้เก็บเอ่อไม่สะสมก่อนขึ้นทางด่วนครับกเอแบบสั้นๆก่อนก็ได้ทางน่วนแบบหยุดสามวันสีวันเข้าไปขึ้นทางด่วนทีนะครับจะหาเวลาวันจะเข้าเข้าไปที่วัดเอ่อไปฝึกเสาอาทิตย์นะครับผม อ, อ มันจะได้ทาให้จะได้ก้าวหน้าเล็วขึ้นครับผมครับผมเยนะครับผมไปที่คุณคุณหน่งจ๋าคุณหน่งเึินกนมมัมสการค่ะพระอาจารย์อ่มีอะไรไหมมีคำถามค่ะพระอาจารย์อะใช่ ก็เวลาที่เรานั่งสมาธิเจ้าค่ะแล้วพอเวลาจิตเราเรารวมไปอะค่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันว่างๆเฉยๆอยู่อะค่ะพระคุณเจ้าแล้วพอมันสงบอยู่ได้สักช่วงหนึ่งแล้วก็ถอนออกจากสมาธิเจ้าค่ะก็ตอนนี้ก็ยอมเข้าใจสภาวะนี้วันแต่ว่าวันเสาร์ที่ผ่านมายมไปชายทะเลเจ้าค่ะ โยมไปนั่งริมริมทะเลเพลินเพลินแล้วโยมก็ก็ก็ม อ, มองมองมองมองคลื่นอะค่ะพ่ะคุณเจ้าแล้วโยมก็โอเคตอนนี้ยรู้ว่ารู้ว่านั่งนั่งอยู่ริมทะเลแล้วแล้วโยมก็รู้สึกว่าจิตใจของโยมอ่ะมันก็ไม่ได้มีสภาวะเหมือนกับว่ามันมีความไม่มีสภาวะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะพ่อขุณเจ้ามันไม่มีอารมณ์อ่ะมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยอะมันเฉยเฉยเหมือนกัน โยมก็นึกถึงสัญญาเก่าวว่าทําไมตอนตอนตอนเราแบบเด็กๆอะ่ะโยมจมักจะถูกครูดว่านัสนันเธอใจลอยอีกแล้วโยมคิดว่าเอ๊ะเราใจลอยเนี่ยนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรกับใครไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดโกรธใครไม่ได้คิดเกลียดใครมันอยู่กลางๆของมันโยมก็เลยอยากจะถามพระคุณเจ้าว่าอาการที่จิตมันเกิดอุเบกขาแล้วไอ้อาการใจลอยเนี่ย มันมันมันมีความแตกต่างกันแล้วมันมีผลเสียยังไงครับเพราะบางคนบอกว่าไอ้อาการใจลอยตายไปก็เป็นสัมภเวสีอะไรอย่างนี้เลยแหละเจ้าค่ะเวอร์อาการใจลอยมันแสดงว่าใจเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเช่นเวลาอยู่ในห้องเรียนเราไม่ได้อยู่กับการฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ใจเราลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจไหมทีะะ่พูดนี้เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรามีสติมันก็จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเช่นเรานั่งคุยกันตอนนี้มันก็ใจมันก็อยู่ปัจจุบันมันก็จะฟังมันก็จะฟังเนี่ยมันไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นฟังฟังเรื่องที่กําลังได้ยินอยู่ตอนนี้คือการมีสติกมีสติก็คือมันทาให้ใจตั้งมั่นไม่ลอยไปลอยมาเนี่ค่ะอันนี้เข้าใจไม่ตอบคําถามตรงที่ถามหรือเปล่า แต่ว่าโยมยังยังแบบรู้สึกว่าความรู้สึกมันใกล้ใก้กันอะค่ะพระคุณเจ้าเหมือนกับว่าเราสมมุติว่าเรานั่งมองคลื่นอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดอะไรอะแต่เรารู้แหละว่าเรานั่งมองกเกลียวคลื่นแล้วมันก็มีความเราอยู่ตรงนั้นนะคะพราะคุณเจ้าแต่ว่าไอ้ความว่างอ่ะมันก็คล้ายคลกันนะคะเพราะคุณเจ้าหรือโยมทําอะไรผิดหรือเปล่าว่ามันจะมีความว่างที่แบบเราก็ไม่มีความไม่มีอารมณ์ใดๆเหมือนกันนะคะในสมาธิะค่ะพราะคุณเจ้าเออ ก็ถูกเนี่ยในปัญหาตรงไหนเลยอย่ น, นี้ก็ไม่เรียกว่าใจหล่อย ใ, ใจตั้งมั่นอันนั้นคือเราก็รู้สึกตัวว่าเรานั่งดูคลื่นอยู่แต่ว่าใจเราก็เฉยเฉยอย่างนี้ใช่ไหมคะพระคุณเจ้าก็คือถ้าเรารู้ว่าเรากำลังดูอะไรอยู่ก็ไม่มีอารมณ์อะไรมันก็ก็ก็แสดงว่าใจเราก็ยังเป็นเป็นกลางเป็นเป็นอุเบกขาอยู่อ๋อเจ้าค่ะไม่ยู่พัวว่ า, วามันจะทําให้แบบว่าอ้าว เหมือนแบบเฮ้ยจะเป็นสัมภเวสีหรือเปล่าพระพุทธเจ้าคือคำว่าสัมภเวสีแปลว่าอะไรก็เหมือนพระาว่าสัมภเวสีใแ่ะเหมือนวิญญาณล่องลอยไหมคะว่าตายไปแบบจิตไม่มีที่ยึดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋อไม่หรอกสัมภเวสีก็คือวิญญาณที่ยังต้องไปเกิดต่อไปก็าเรียกว่าสัมภเวสีแล้วมีพระขขพุทธเจ้าพระอนาคตนะที่ไม่เป็นสัมภเวสี คุณตัวช่วยเนี่พวเรานี้เป็นซัมเมอเวสีกันเนาะน่ะอ็ตายแล้วยังต้องไปเกิดใหม่ทีอ๋อเจ้าค่ะค่ะขอบคุณเจ้าแล้วคนคนไม่เข้าใจพูดกันไปตามตามความรู้สึกนักคิดผิดๆนั่ก็เลยทําให้สับสนกันใช่ค่ะเขาเอามาชอบมาด่ายังไว่าจะเป็นซัมเมอเวสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ ะ, ะมันก็เลยเแบบก็เป็นด้วยกันทุกคนอ่ะซัมเมอร์เวสีเพียาจจะไปสุขคติแล้วไปทุกขคติ ถ้าบาปพาไปก็ไปทุกติถ้าบุญพาไปก็ไปสุขติไปสวรรค์นีงค่ะอีกเรื่องหนึ่งพระคุณเจ้าขอถามพระคุณเจ้าค่ะเรื่องสัญญาสัญญามันคือการจําได้หมายรู้ที่นี้ว่าโยมมีได้คุยกับเพื่อนนะคะถึงว่าบางทีมันจะมีคนมาชอบมาทํานายทายทักเราอะว่าเออชาติก่อนเราเป็นใครอะไรยังไงเคยเกิดเป็น อ, อ แม่ลูกกันสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ว่ามันก็คือยมยมก็เคยมีคนมาทักอย่างนี้นะคะแต่ยมก็ไม่ได้ใส่ใจแต่ทีนี้ว่าสัญญาเนี่ยที่เขามาทักเนี่ยหรือว่าบางทีาการนั่งสมาธิไปแล้วทำให้เรารู้ว่าอดิตชาติเราเป็นใครอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้ ให้จิตเราอ่ะมันไปมันไปเพิ่มการปรุงแต่งมันไปเพิ่มการยึดติดแล้วก็ผูกพันยิ่งขึ้นไหมคะมันเหมือนการสร้างภพสร้างชาติเพิ่มขึ้นไหมคะก็ถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อเพื่อหลุดเพราะนี่เราก็ไม่ไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านี้เรานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้เด้งให้สมบไม่ไปเล่นรชาติไม่ไปอะไรทั้งนั้ น, น, ะะนการไปเล่รสชาติมันก็เป็นการมันไม่ได้ช่วยในการ อาให้ใจเราเนิ่งสงบตอนนั่งสมาธิต้องการให้ใจนิ่งสงบให้มีอุเบกขาไม่ควรไม่ควรจะปล่อยให้ใจไปคิดระลึกชาติเวลานั่งสมาธิถ้ามันจะไปกันหนึ่งมันไว้ให้มันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุทโธพุทโตไปอย่าให้มันไปคิดปูนแตนเจ้าค่ะมันเหมือนกับว่าเคยได้ยินมาว่าการระลึกชาติอ่ะมันเป็น มันเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งหรืออาการอย่างหนึ่งชาอย่างหนึ่งที่เกิดเป็ น, ป น, นยาารามารถพิเศษนะค่ะแต่ไม่ไมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเหตที่จะทําให้เราบารรลุธรรมได้เจ้าค่ะอย่าไปสนใจนอกจากว่าถ้าเรามีนิสัยที่ไปละลิกชาติได้ก็ก็ห้ามมันไม่ได้แต่เวลาปฏิบัติก็ไม่ควรที่จะไปให้ปล่อยให้มันไปละลิกชาติเราควรจะอยู่กับ ความสงบเรียกว่าความว่างแล้วค่ะพระคุณเจ้าอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระคุณเจ้าโลกการที่เราสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราอ่ะมีเจ้ากรรมในเวรเป็นใครและแล้วเราตามไปขอขมาแล้วเหมือนเราเรารู้แล้วว่าว่าเราทําเขาแล้วแล้วการที่เราไปขอขมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันยิ่งไปมันจะช่วยได้เหรอคะในการปลดปล่อยกรรมหรือว่ากรรมเรามันก็ต้องใช้อยู่แล้วกา ร, รอยู่ <ไป S 1> ที่<ด>ว่านีอยู่ที่ว่า การขอเขาเราให้แหละเขาละก็ไปจะให้แต่วาจาเขาอาจจะไม่ให้อาภัยเราก็ได้แต่ถ้าเอาเงินใบอัของร้านนี่ก็อาจจะให้อาภัยเราก็ได้อ๋อเจ้าค่ะมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราต้องการให้เรื่องมันยุติเราก็ต้องไปคุยเขาดูว่า<อ>จะทำให้เขา<อ>เลิกจองเวรจองกรรมเราได้อย่างไรบ้างอ๋อเจ้าค่ะเขาต้องการอะไร ถ้าเขาต้องการชีวิตก็ให้จะเอาชีวิตให้เขาไปเลยะจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปเจ้าค่ะอไม่ใช่อยู่ดีๆเดี๋ยวดอกไมทุบทีนแล้วไปขอขอเข้ามาเขาีนี้เขาก็ไม่ได้หลยดอกไม้ทุบเทียนเขาก็ไม่ไไรู้จะเอาไปทำํำไมใช่ไหมเพราะว่าต้องการที่จะตกหน้าเราอย่างนี้เราไปเอาเอาดอกไม้ทุบเทียนไปให้เขามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเขา แต่ถ้าเขาได้ตกหน้าแล้วแล้วเขาสบายใจเขาปล่อยก็ตกไปเลด้วยอยากจะขอเข้ามาเขาจริงๆนี่คือการขอเข้ามาจริงๆไม่ใช่ขอเข้ามาด้วยการด้วยการกล่าวว่าจะขอโทษใครๆก็พูดได้ใช่ัหมขอโทษเนี่่ยคะต้องถามว่าเขาต้องการอะไรต้องการตบหน้าเราแล้วตอบไปเลยต้องการแทงเราแทงไปเลยพระโูค ก, กลานะท่านเป็นพระลานท่านยัง ก็องยอมตายเลยนั่นแหละคือการขอเข้ามาเนี่ค่ะกับศาลมันี้มันจะในหมดเมื่อหมดกรรมกันไปแต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะที่จะจ่ายก็อย่าเพิ่งไปขอเข้ามาเขาไปเข้ามามาม า, มาตามเก็บเราไปก็ร่ำกันเน่ค่ะพูดถึงว่าเราก็ทําบุญของเราไปตามปกติเรื่อยๆแล้วเราก็อุทิศให้เขาอยู่เรื่อยๆก็ก็ก็ได้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ย เขาไม่ต้องการก็ไม่ต้องการบุญอุทิศจากเราแล้วเขาต้องการล้างแค้นเราโอ้我就哈嗯เรากับานุ่มเองเขาเขาโกรธเราอาฆาตพยาบาทเราเหมือนกับใเวลาเราโกรธทายาฆาตพยาบาทไปเราก็ต้องการที่จะไปล้างแค้นนั้นต่อให้อุทิศบุญไปเท่าไหร่เขาก็ไม่ต้องการเขาไม่หายแค้นเนียเขายังไเจ้าค่ะจะหายแค้นต่เมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทํากับเรานะ นี่เราก็ห้ามเขาถ้าเราอยากให้มันหมดเวรหมดกรรมก็ต้องปล่อยแล้วก็ทําไปไม่ต้องหนีอย่างพระบูกวานานี้ท่านมีอิลิทธิ์นั่นสามารถใช้ลทธิ์หนีได้แต่ถ้าบอกหนีวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาอยู่ดีเขาจะตามมาจนกว่าเขาจะสามารถทําในสิ่งที่เขาต้องการจะทำกับเราได้สําเร็จอเจ้าค่ะขนาดเป็นนักบวชเขาก็ไม่เว้นเหรอคะไม่เว้นทั้งนั้นเลยเขาไม่สนใจ กลั บ, บสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณ<ม>เจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ะอ่าถูกค่ะอ่าไปที่คุณคุนแนนค่ะคุณแนทใช่คุณแน ท, นแนทจากคนตา<ม>อันนี้มามคนเดียวเหรอมาครับอาจารย์ครับกล<ม>ับมาสักการะพระอาจารย์ยังไงบ้างสบายดีเหรอสบายดีค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าพออาทิตย์ที่ผ่านมางานทางโลก จะเยอะรู้สึกว่าจะถูกกระแสะทั้งโลกดึงไปนิดหน่อยแต่พยายามจะทําทําตามที่พระอาจารย์เคยสอนว่าแบบทําเซตตารางนี่งนะค่ะก็ก็ยังยังเซตไวอยู่ค่ะแล้วถ้าตอนเช้ายังปกติจะตั้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าวันไหนทําได้ไม่ถึงก็จะพยายามทดเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะพยายาเก็บเพคภูภยในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะพระอาจารย์ไ ด, ด้พยายามชดเฉยวันหยุดก็ยังมีวันหยุดทดเฉยการปฏิบัติก็ต้งเหมือนกัน ปฏิบัติชดเชยบ้างเป็นวันปฏิบัติชดเชยใช่ค่ ะ, ะแล้วก็พยายามเจริญสติในระหว่างวันแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีมากค่ะยังยังมีแบบพอคิดปุ๊บมันก็คือคิดต่อเนื่องแล้วก็จะมารู้ตัวเป็นผักพาค่ะแต่ก็อย่างน้อยเราก็มีการสังเกตดูการปฏิบัติของเราแเราก็คอยพยายามควบคุมมันให้มันอยู่ในล่องในร่องรอยนะ อย่าปล่อยให้มันเอาหน้งลูกหน้าทางจงากระทั่งหลงทางเลยส่วนผมก็พยายามจะเจริญสติตระหว่างวันอย่างที่พระอาจารย์เคยเมตตาสอนครับแล้วก็จะแบ่งเวลามาทำสมาธิมากขึ้นครับผมครับได้สาธุน่นครับยิ่งทำยิ่งทามากผมก็จะได้มากขึ้นตามลำดับนะ<า>โอเค ขอบคุณครับอาจารย์ขอบอาจารย์พทกัลยแวครับขอบคุณจอยจอยวันนี้ลูกชายไม่นอนนะตอนเช้าตอนเช้านี่ยังไม่ตื่นเลยสายบานไม่หอมถามเลยรถามครับถามได้เลยถาคนเรา้งเกิดเพรถามว่าเราตเกิดพูดดังๆัง ทำไมเวลาถึงต้องเกิดพรอยากจะมาเล่นเกมไง <laughs> <g oda> ถ้าไม่อยากเล่นเกมก็ไม่ต้องเกิดถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็อย่าอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมาอ่ะแต่อยากเล่นเกมก็ต้องมาเกิดอะลยเข้าใจไหมความอยากทําให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่ต้องมาเกิดแล้วถ้ามีงานถึงเราจะต้องมา ก็ไปบวชเป็นพระเหมือนน้องตาไง เ, เป็นพระก็ทำเล่นเกมไม่ได้นะเป็นเป็นพระไปเที่ยมไมวไหมนะเอาไหมมาบวชไหมบวชเน้นไหมบวชไม่เสร็จเลยอันดีไหมเอาไหมบวชพระเหรอ ขาถามหนูหนูก็บอกว่าเดี๋ยวรอถามพราจารย์ไหมเขาถามตลอดเลยว่าทำไมต้องมาเกิดอะไรหมอเข้าใจหรื อ, อยังอ่ของหนูก็ไม่มีอะไรจะกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปใส่บายพรุ่งนี้วันพระอ้วันเสาร์วันเสาร์วันเาร์าไปส<า>ไใส่บาตโอเคตาที่วอ่นายคุณหมอณัฐวุฒิใจป็นหมอ นามัสการพระอาจารย์ครับไม่มีอะไรครับก็สบายดีครับแต่ว่าเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เข้าไปที่วัดเพื่อปฏิบัติครับโอเคดีมากชาติมาต้งย่งไนะครับประจําเดือนครับโอเคสาธุได้แจกครับครับไปนี้คุณคุณหมอสุทัศนีเป็นยังไงสบายดีเหรอมามัสการท่านพระอาจารย์เจ้าข่าสบายดีค่ะไม่มีคํา โอเคปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ไปที่คุณจาคุณจาเป็นยังไงหนาวไหมที่ อ, อ๊อฟป้อนเหร็ด น, นยังหนาวอยู่ป่ะบบนามัสการค่ะพระอาจารย์หนาวอยู่ค่ะช่วงนี้แล้วก็ฝนพ อ, อสมควก็ใส่หนาๆเอาค่วันก่อนหนูก็ผ่านกับรถผ่านก็เห็นโฮมเลสก็ยังสงสารว่าเออคนเราเนาะมันก็บุญกรรมต่างกัน เกิดมาก็คิดว่าเขาเป็นพระทุนดงมาแล้วนั่นนั่นสิคะพระอาจารย<ม>์พูดถึงพระทุนดงเนี่ยทุกวันพุธปกติหลังจากที่เสร็จจากซูมแล้วหนูจะขับรถไปวัดอ่า<ม>ไปใส่บาทนะคะมันจะขับ<ม>ห่างไปประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณจบเกือบชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะ<ม>แล้วพระที่นั่นนะคะพระอาจารย์มีอยู่รูปมีแค่รูปเดียวจริงๆมีสองรูปแต่ว่าส่วนมากวันพุธรูปนึงจะถูกเชิญไปที่เซเลม ไปฉันเพนที่วัดเซฟที่เซเลมแล้วก็อีกรูปที่หนูไปท่านอายุประมาณเก้าสิบกว่าแล้วท่านอยู่คือจริงๆกุฏิท่านอายุริมน้ำแล้วช่วงที่ผ่านม า, าหิมะตกหนักแล้วน้ำมันท่วมแล้วท่านก็เลยย้ายขึ้นมาในรถอาวีค่ะแล้วท่านก็ไม่เปิดฮีต ด, ด้วยค่ะพระอาจารย์หนูก็แบบ ไม่ทราบว่าท่านอยู่ได้ยังไงหนาวมากหนาวมากแบบหนูไปแค่แป๊บเดียวหนูยังรู้สึกว่าแบบโสดตายละหนูอยากกลับเขากลับเขาครัวยืนอุ่น อืก็จริงค่ะท่านก็ดูตามความเป็นจริง <c oughs> เดิ น, น, นเร็วถ้าถ้ามันไม่สบายเพราะมันอาการหนาวท่านก็ต้องกแก้ไขท่านก็ต้องหาเสื้อผ้ามามาห่ม <c oughs> แต่ถ้านอาจจะร่างกายมังท่านจะแข็งแรงสู้ความหนาวเย็นได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะอืแต่ถ้าร่างกายมันถูกกระทบก็ <c oughs> ต้องก็ต้องดูแลมันไหม อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนว่ามีมีภูมิมสู้กับอาการได้มากน้อยต่างกันอื ม, อมค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์คะวันนี้หนูมีคำถามเรื่องอวิภวตันหาค่ะคะอาจารย์คือถ้าเกิดว่าในในบรรดาสามหมวดของตันหานะคะถ้าเราใช้อสุภมะมาแก้การตันหาเราใช้มาร์กเราใช้กันละ แกภาวะปัญหาแล้วความไม่อยากล่ะค่ะพระอาจารย์เวลาอย่างคือที่หลักๆ ก, ก็คือความหนูที่ผ่านมาค่ะเวลาที่หนูมีความทุกข์หนูก็จะความทุกข์กับมันเป็นความทําให้หนูอยากนั่งสมาธิทีนี้ช่วงเนี้ยมันสบายดีค่ะหนูเลยไม่อยากแต่ว่าหนูก็ไม่รู้จะผ่านความไม่อยากไปได้ยังไงเพื่อให้ปฏิบัติไงค่ะไม่ทราบจะใช้ทำข้อไหนม า, าไม่อยากปฏิบัตินละยใช่ไหมนีม่อยากถามเนะี่ย ได้ค่ะความไม่อยากปฏิบัติหนูจะแก้อย่างไงให้หนูได้ลงมือปฏิบัติค่ะก็ต้องเราลึกถึงความตายแบบบ่อ <นะ S 2> วควา ม, มว่าชีวิตเราไม่ทางเท่งแท้แน่นอนอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราคิดถึงความตายแล้วมาอาจจะได้กระตุ้นความความขยันเราให้เกิดขึ้นกันนะว่าโอ้ยเอาประมาณไปได้นะการชีวิตตอนตอน้นที่เทศน์ที่ผู้ตอ น, นนั้นตอนนี้ เป็นหมอพิเชษพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทเพราะพระเจ้าเจ้าก็เตือนเราเป็นเป็นว่าที่ขั้งสุดท้ายว่าร่างกายเราไม่ไม่แน่นอนนะมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาต้องรีบปฏิบัตินี่งทําประโยชน์ของเราให้ถึงพร้อมด้วยการไม่ประมาทเถอะออืืถ้าเราคิดเกียดแล้วไม่อยากปฏิบัตินี่เขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความประมาทนะค่ะ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวันก่อนหนูฟังคลิปของหลวงพ่อช า, อาพูดถึงเรื่องของการนั่งสมาธิ่างเนี้ยค่ะแล้วท่านก็พูดเรื่องในแง่ว่าในความไม่อยากที่จะปฏิบัติอะไรเงี้ยก็คือก็ทำไปเพราะมันก็ถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งก็คือต้องก็คือเหมือนดื้อด้านทำไปอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ท่านพูดมาถึงจุดที่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยบางทีเรามองว่ามันไม่สงบ แล้วเราก็เรียนรู้มาว่าเออเราต้องพุโทโธเที่ยวนี้เราก็ทําพุโทโธสักพักนึงเราก็เปลี่ยนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูอะค่ะคือเวลาที่หนูลงมือปฏิบัติปั๊บเนี่ยสมมติตอนแรกหนูตั้งใจแล้วว่าโอเควันนี้หนูใจอยู่กับพุโทโธแล้วพอมันอยู่กับพุโทโธไปสักพักนึงหนูรู้สึกว่ามันไม่นิ่งเลยอะ่ะแล้วหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นตามลมหายใจแทนสักพักตามลมหายใจก็ไม่นิ่งอีกหนูก็เลยนับเปลี่ยนเป็นนับแทนอย่างไงครับอาจารย์ทำยังไงนหนูถึงจะแบบ ว่าสติสติเรามีกําลังน้อยเนี่ยไม่สามารถ <Okay. S 1> ควบคุมจิตได้เราก็ต้องฝึกสติมาก่อนนั่งไม่ใช่มาทําตอนที่เรากําลังนั่งอย่างนี้เอาหาวิธีเพิ่มกําลังของสติก็ต้องทําในช่วงที่เราทําอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องมีสติอยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่ไปอืมคือความมีสติเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้ความรู้สึก อยากเปลี่ยนวิธีมันลดลงล่ะค่ะมันจะทําให้บรรเทาบรรนั่งมันนั่งก็ได้ผลไงวิธีไหนก็ได้เหมือนกันนะที่มันที่เปลี่ยนไปเพราะมันไม่มีสติใช้วิธีไหนมันก็มันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันแต่ถ้ามีสติใช้วิธีไหนมันก็ได้ผลทันที่มันไม่ใช่วิธีแต่มันมันสติไม่มีกําลังพอเราฝึกมาน้อยเราฝึกสติให้มากขึ้นก่อนที่เราจะมานั่ง ค่ะใส่ก็คือในประชีพประจำวันก็ต้องฝึกตั้งแต่เริมตาขึ้นมาพริ่มตาขึ้นมาแล้วตั้งสติเลยพุโทโธไปทํางานล้างหน้าอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปหรือไม่เฉะนั้นก็คอยเข้าดูงานที่เรากำังทําอยู่กําลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันอย่าไปคิดถึงคน น, คนั้น ค, น น, ค น, นนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยู่กับการแปรงฟันไปอย่างเดียวค่ะ น ห, นหนูฝึก ส, สติในชีวิตประจําวันอืมทําไมหนูรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยที่หนูยังไม่ไม่ได้รู้วถึงความสําคัญของสติอะค่ะอาจารย์ก่อนเมื่อประมาณปีสองปีก่อนหน้าเนี้ยหนูรู้สึกว่าชีวิตประจําวันหนูที่ก็ไม่ได้แบบคอยตั้งสติคอยรู้รับรู้อะไรอย่างเนี้แต่หนูรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วมันสงบกว่าทุกวันนี้ที่ระหว่างวันยังมีบ้างที่ที่รู้ตัวตั้งสติอยู่อะไรเนี้ย อาจจะแปลว่าเราตอน น, นอาจจะไม่ได้มากก็ได้เมื่อ น, นานทําทีมันก็เลยอาจจะมีความตั้งใจมากขึ้นมีสติจดจ่อมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มทำมากขึ้นมากขึ้นแล้วบางทีมันก็อาจจะมันอาจจะสติมันอาจจะอ่อนกําลังลงก็ได้โอเคเข้าใจยละค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะแล้วกิเลสมันพยายามต่อต้านเรามากขึ้นก็ได้ เพราะมันถ้านานๆทาทีมันก็พอพอรับได้พอเราทำํำบ่อยๆขึ้นยิ่เห็นมันก็สะเทือนมันก็เลยดังหาวิธีเอทําให้ใจเราไม่งไมสงบขึ้นมาอืมก็คือต้องเข้มข้นกับมันมากขึ้นมันอตุ้มกัมมันต่อไปอือโอเคเข้าใจนะไปแล้วค่ะกับอาจรสาธุค่ะ โอเคไปที่คุณจีฟมริแลนอยู่อีกฟากหนึ่งของอเมริกาอยู่อีสต์โคค่ะัดซกาค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะทางานอยู่เลยทางานอยู่เจ้าค่ะรออันอีสักนิดนะฉันอ่บนโทรศงชัวร์องทมล์ชัร <c oughs> อุ้ยเปนคนควนตลอดเวลาเลยโยมก็แบบอุตส่าห์อธิฐานในใจขอให้เวลาเราได้คุยกับพระอาจารย์ย่างนี้ท่านไกลัเลยยังไม่ให้ระโกรปั๊บรบับสายปุ๊บมีปั๊บเลยถามพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะโยมมีคําถามเดียวค่ะอาจารย์ออ <c oughs> สมมติว่าตอนนี้โยมมีหน้าที่แบบว่าซื้อของเขา้าออฟฟิศอะไรนใช่ไหมคะแล้วท่านมีคนเขาแบบว่าขอบอกว่าเออขอกระดาษ หนึ่งปึ้งหนึ่งรีมอะไรเงี้ยค่ะกระดาษปึ้งใหญ่ๆค่ะจะเอาไปใช้กับปรินเตอร์ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาทํางานที่บ้านบ้างเขาก็บอกเขาก็จะเอาไว้ทําที่นูน่นใช่ไหมคะโยมก็เลยโยมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติเราให้เขาไปแล้วเขาไปใช้ที่บ้านจริงหรือเปล่าหรือ ย, ยังไงอันนี้มันมันเหมือนกับในใจก็คิดว่าเออหรือว่าเขาเอาไปใช้ส่วนตัวเออหรือว่าเขาไปใช้เรื่องงาน คือถ้ามันนี้มันเหมือนกับว่าเราขโมยทรัพย์สินบริษัทไ้ยคะหรือว่าเราช่วยเขาให้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ระเบียบของบริษัทว่าเขาอนุเราให้เขาไปหรือเปล่า <c oughs> ก็คือก็ <c oughs> คือเราก็ให้ได้ะคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่า <c oughs> คือบริษัทที่นี่ตอนนี้คือบางคนก็ทำงานที่บ้านบางคนก็ทำงานที่ออฟฟิศคือบางคนเขาก็บอกว่าเออถ้าเขาเอาไปปินงานที่บ้านยงก็เลยถือว่าเขาเราให้ มันเรื่องของเขาคนเราไม่ได้เป็นตํารวจมาคอยจับเขานี้แต่เราก็ไม่ต้องคิดว่าเขาจะไปใช้อะไรมันก็เรื่องของเขาถูกไหมคะเพราะเขาบอกเราแค่ว่าเขาไปทํางานก็เขาก็พูดแปลนานอันนี้เราก็ไม่ได้เราไม่ต้องไปเป็นสืนักสืบเป็นสืบว่าเขาจะทํารินตามที้เขาพูดหรายมไม่ได้สืบหรอคะยมแค่รู้สึกผิดเองว่าเอ๊ะถ้าเขาไปทําไม่จริงแล้วเราจะผิดไหมเราจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ทำบาปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยค่ะอ่าก็เราไม่รู้เรื่องเราจะไปสมรู้ร่วมคินได้ไงอ๋อโอเคค่ะก็ขเขาบอกขอเขาบอกว่าเขาจะไปเอาไปทํา ง, งานเราก็ไม่มี<ช>สิทธิ์ที่จะห้ามเขาไม่ใช่เลยค่ะใช่ค่ะก็ให้เข้าข <อ S 1> ไปเราก็ทําหน้าที่ของเราอืเอาโอเคค่ะจะได้คิดแบบโอเคได้แบบว่าวางตรงนั้นเรลงไปก็คือเราทําหน้าที่เราจบอื่อนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดมีเหตุการณ์แล้วเขามาเขามาว่าเอาผิดเรา เราก็เราก็ถึงแม้เราไม่ผิดบางทีเขาก็ยาวผิดเราก็เขาถือว่าเป็นกรรมของเราไปเราเตรียมพร้อมอยอมรับกรรมไปอ่าก็ยมไแต่ถ้ามันมีเห็นมีผลก็คงจะทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาก็เป็นคนดีแหะค่ะใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนดีนี่แหละค่ะแต่ว่าโยมก็แค่แบบ แค่แบบว่าเอออาจจะเป็นส่วนร่วมทำผิดโดยไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้ขึ้นมากไปเองมั้งเห็นไหมคอาจารย์เฉยๆนิ่งไม่มีเรื่องก็จิตก็แบบว่าแกว่งไปไม่มีอะไรนะคะอาจารย์ก็ขาารย์ทัดคนทำงานต่อแล้วค่ะเดี๋ยวยงขอตัว อาออกไปฟังข้างนอกนะคะพระอาจารย์สาธุอาจารย์นามัสการพระกลับครับก็คุณคาไปที่คนเหล่าคนเหล่าป็นบันดิตเป็นยังไงหายแล้วเหรอการครับหายแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วพอดีมันเน็ตมันค้างครับก็เลยไม่ได้แจ้งอาจารย์ครับอืมแต่ว่าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วมันมีอาการเสมหะก็มีเสมหะแล้วก็สึกร่างกายมันเพียตลอดมีสัปดาห์นี้เริ่มดีขึ้นครัอาจารย์ ครับอป้าชานได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินเชิญก็เลยถึงที่ป้าชานบอกเท่าเกิดไม่ปฏิบัติเลยแล้วถึงเจอเข้อสอบแรงๆนี่สงสัยก็ไม่น่าทันจริงครับป้าชานงานเป็นโควิดไม่หนักก็ยังปวดหลังยังเวียนหัวยังทําอะไรไม่ค่อยได้ครับป้าชา น, นเออแล้วก็ประคองสติไว้ไม่ให้ใจเราป่อยนะไม่ให้ใจเราท้องใช่ครับก็นั่งไม่ได้ก็เอ็นหลัง พูดโทรไ ป, ปราามาอาจารย์แล้วเมื่อวันเสาร์ก็ได้พาคุณเม่ภรรยาแล้วก็ลูกกับภรรยาไปเอ่อไปเวียนเทียนอพระบารมสารีาริกธาตุครับอาจารย์ก็ก็ดีใจที่แบบคนไทยมาเยอะเหมือนกันครับที่สนามหลวงใช่ใาชา่ค<ม>รับอาจารยอคือเยอะทุกวันครับยิ่งวันสุดท้ายนี่คือแบบเยอะจริงๆครับก็จะเกิดดีใจว่าศาสนาพุทธยั ง, ย, งยังมีคนแบบยังมีคนให้ความสนใจครับพอาจารย์ เด็กก็เยอะครับผู้ใหญ่ก็เยอะคนชร า, าก็เยอะับอาจารย์ทำให้เรามีกำลังใจปฏิบัติครับอาจารย์คนนี้ก็ไม่มีคำถามครับอาจารย์โอเคอาจารย์ายาอาจารย์เหูนเองครับที่คุณนิงต่อคนุนิยังไม่เปิดยังไม่เปิดหมาคุณนิงยังไม่ไเปิดเปิดแล้ ได้แล้วอาจารย์พูดได้เลยอาจารย์ก็หลุดๆบ้างคหายอาจารย์ก็ฝึกต่อไปครับเค่าสติบ้างนะหายบ้างนะครับพระอาจารย์ก็ฝึกไปไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ฝึกสติครับ่รอบข้างตามที่พระอาจารย์แนะนําก็รู้ว่าจุดตัวเองจะต้องไปตรงไหนเราก็ต้องไปฝึกแบบอยู่ตรงนั้นน่ะคะาารับอาจารย์อืครับมีอะไรครับอาจารย์ก็จะไป วัดฟังคาเหมือนเดิมเก็บกินเลน่นนิดีลดหน่อยครับพระอาจารย์ไม่ครับ อ, อาจารย์ไม่มี อ, อะไรครับตอนไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปที่คําคถามทางบ้านต่อเลยเอคุณหล้าเชิมีกี่คําถามกลับในมหกรรมค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจค่ะคําถามที่หนึ่งจากคุณธีรภูมิกลับนมัห ก, การพระอาจารย์ครับ การใช้เพียงสติและปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์การใช้เพียงสติและปัญญานี้จะสามารถทําให้ใจละความอยากและอยู่กับความว่างได้ไหมครับโดยไม่ต้องเข้าสมาธิกราบขอบพระคุณครับก็แล้วแต่สติปัญญาของเรามีมากไม่น้อยคุณต้องลองทําดูคําถามต่อไปจากคุณสุภาพ กลับในมัส ก, การค่ะพระอาจารย์ในวันหนึ่งหนึ่งโยมจะวิเวกตัวเองใช้เวลาประมาณรู้สึกผ่อนคลายแล้วจิตสงบนิ่งเป็นกลางๆางไม่สุขไม่ทุกข์โยมปฏิบัติถูกทางไหมคะคราบสาธุค่ะคือการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีความสุขแต่มันไม่ใช่เป็นความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวกเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะ ถ้าปฏิบัติแล้วมันยังไม่แจวความสุขที่แก่ใจควอมสงบก็ยังยังถือว่ายังปฏิบัติไม่ถึงต้องปฏิบัติต่อไปคำถามสุดท้ายจากคุณสมบูรณ์บางครั้งจะรู้สึกเศร้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้างควรจะปฏิบัติด้านจิตใจอย่างไรเจ้าค่ะขอคำแนะนำต้องทำใจให้สงบเวลาเกิดความเศร้าแสดงว่าใจเราไม่สงบใจเรายังไม่เป็นอะเบีค่ะ แค่พยายางฝึกสติช่วงที่เกิดความเศร้าก็บกก่นคำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปดังเอาความคิดต่างๆที่ทำให้เราสร้างนว เ, เดี๋ยวพอความคิดหยุดไปใจเราก็จะสงบใจเราก็จะหายเศร้าต้งถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเควันนั้นวันนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหราาับวันนี้คืนนี้ ก็ขอให้ท่านจ้งนำอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเนตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ